มาจากที่ไหนกับบุลีครับรีเลยะครับเคยมาหรือเปล่าเรื่อยๆครับมาครั้งแรกใครให้แนะนำมาหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์หมอวิลลุนบุรีครับที่สีร่ายครับหมอวิลลุนครับวีไนแสยอกรรมนะอธกรรมครับพอรู้จักของเราเลยเฟินผมไปไปรักษาตัวเฟนอาจารหอแนะนา วันนี้เขาก็มาที่ ท, ที่ที่อิปเองนะอ๋อเป็นผู้หยิงหรผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายนันทกรรมทางไหนอ่ะมาเที่วกลําไต้ไงลังเขาบอกให้มามาเพื่ออะไรอระกาศมามาให้มาเป็นสิ่คลแล้วมาสดทายท่านครับมาให้ต่ อ, อยิ้วให้ <c oughs> <c oughs> าอายุมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันบุญกรรมที่เราเคยทํามาก็มีส่วนพฤติกรรมของเราในปัจจุบันก็มีส่วนสิ่งแวดล้อมต่างๆก็มีส่วนมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันเรื่องของอายุร่างกายแต่เรื่องของจิตใจนี่มันไม่มีวันตาย เรามีสองร่างมีร่างกายกับร่างทิพร่างทิพนี้เรียกว่าจิตใจร่างทิพนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ร่างทิพนี้นอกจะมีความทุกข์เพราะไปหลงที่ว่าเป็นร่างกายก็เลยไปห่วงร่างกายไปวิตกกังวลกับร่างกายเลยไม่ค่อยมีความสุข ธรรมะก็จะสอนให้เรารู้จักแยกแยะเรื่องของร่างกายก็ส่วนหนึ่งเรื่องของร่างทิปคือจิตใจของเราก็อีกส่วนหนึ่งจิตใจของเราสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายถ้าเรารู้จักแยกแยะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนเราแยกแยะร่างกายของคนอื่นกับของเรา ร่างกายคนอื่นเป็นยังไงเราไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ไปอยากให้ไม่เป็นเริ่มเป็นแต่พอเป็นร่างกายของเรานี่เราอยากจะให้มันดีอย่างเดียวไม่อยากให้มันไม่ดีแต่ความจริงของร่างกายมันมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายมาทุกคนแต่อยู่ที่ใจของเราว่าเราจะยอมรับหรือมไม่ยอมรับถ้าเราอยอมรับว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่ต่อตา้านเราก็จะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะเราต่อตา้านเราไม่อยากให้มันไม่แก่เราไม่อยากให้มันแก่เราไม่อยากให้มันเจ็บทายได้ปว เราไม่อยากให้มันตายยิ่งอยากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากขึ้นกนันนะมนความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากของเราเพราะมันจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้อยากให้หายอยากให้ไม่ตายมันก็ต้องเจอความตายอยู่ดีทุกคนแต่คนที่อยากให้ร่างกายไม่ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ความหลงไปคิดว่า ตายไปกับร่างกายพวกเราทุกคนคิดว่าเวลาร่างกายนี้ตายเราก็ตายไปกับมันใช่ไม้มใช่ไหม <c oughs> เราถึงกลัวกันใช่ไหม <c oughs> เพราะไม่มีใครอยากตายใช่ไหม <c oughs> แต่ความจริงมันไม่ได้ตายมันไปโผขึ้นนะไปเกิดใหม่นะไปได้ร่างกายใหม่มันไปเกิดใหม่ถ้าเรารู้ความจริงเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกาย นนกับเวล า, เานอนหลับนี้ร่างกายก็กลายไปชั่วคราใช่ไหมนอนหลับแล้วก็ไปในในโลกของความฝันใจเราอยู่ในโลกคิดเวลาเราฝันเราฝันฝันฝันอยู่ในโลกคิดว่าเราไปที่นูนะ่นมาที่นี่ไปเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้มาไ ม, ไม่ไม่เลยไปด้วยร่างกายไปด้ ร่างคิดอันดีเราก็เรียกว่าไปสวรรค์ฝันล้ายก็ไปนรลล ก, นลลกอา่านี่คือนี่คือใจของเราเป็นอย่างนี้สวรรค์นรกนี่อยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายต้องรอให้ร่างกายตายไปก่อนมันถึงจะไปได้เช่นตายชั่วคราวก็ตอนนอนหลับมันก็ไปได้ชั่วคราวให้นอนหลับ ถ้าเราทำบุญไม่มากเราก็จะฝันดีก็จะไปสวรรค์ันถ้าเราทำบาปไม่มากแล้วเรานอนหลับเราก็จะฝันได้เราก็จะไปนรกเพราใจของเรานี่เหมือนกับกล้องนี่มันจะมันจะอัดภาพต่างๆที่เราทำในแต่ละวันไว้ในวันนี้มามาทาบุญนี่มันก็จะอัดไว้ถ้าไปทำบาปมันก็จะอัดไว้แล้ว ตอนเวลานอนหลับมันก็จะมาฉายให้เราดูมาเข้าใจไหมแต่มันฉายกลับกันเราไปตอนที่มันถ่ายเนี่ยมันเราไปทําเขาแต่เวลามันฉายกลับมันเข้ากลับมาทำเราเข้าใจไหมเขาเรียกว่ากรรมเหมือนกระจกเนี่ยเรามองเนี่ยมือขวาเป็นมือซ้ายมือซ้ายเป็นมือขวาเนีด้านขวาเป็นด้านขวาด้านขวาเป็นด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นด้านขวา เวลาเรานอนหลับเวลาเราฝันเรื่องที่เราฝันเนี่ยเราไปช่วยเหลือคนอื่นตอนที่เราเราตื่นเนี่ยเราไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างว่านี่ยเรามาทําบุญเวลาตอนกลางคืนเรานอนหลับไปเราฝันว่ามีคนมาช่วยเหลือเรามีคนเอาข้าวของมาให้เราเวลาเอาข้าวของมาให้คนอื่นอย่างที่ท่านบอกว่าให้สุใหใหห้้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็กลับมาหาเรา ให้สุขแก่ท่านสุขนั่นก็จะกลับมา ใ, ใจมันอาจขึ้นอย่างไว้นะที่เราทําอยู่เนี่ยมันนี่มันอัดภาพไว้แล้วพอตอนนอนหลับมันก็จะฉายหนังให่เราดูท่านที่สอให้ทําบุญอย่าทําบาปแล้วเราจะได้ดูแต่หนังดีๆฝันดีไม่ฝันร้ายคนที่มีความเมตตานี่ ถ้ามาตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขคนที่ทำบุญเนะี่ยนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วจะไม่ตายด้วยยาพิษไม่ได้จะไม่ตายด้วยมีดด้วยปืนด้วยอาวุธต่างๆเพราะไม่มีใครจะมาทำร้ายเราเพราะเราทำแต่ความดีคนที่ทาความดีมีใครก็อยากจะมาฆ่าไหมไม่มีมีแต่คนที่ไปทำร้ายพูดอถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็อยากจะมาทาร้ายเรา เป็นคนที่ทําบุญเจะไม่ตายด้วยสัตว์ราวด์ไม่ตายด้วยยาพิษแล้วเวลาตายไปก็ไปสวรรค์ก็ฝันดีเวลานอนหลับตายไปนี่เวลาตายก็นอนหลับเองเพียงนอนหลับยาวหน่อยเป็นเวลาเปลี่ยนร่างกายไงช่วงที่เรารอเปลี่ยนร่างกายนี้เราก็ไปรอที่สวรรค์เพราะได้ร่างกายใหม่ก็มาเกิดใหม ถ้าเราทำบาปแล้วก็ไปรอที่นรกอ่าเดี๋ยวว่ากลับพอเดี๋ยวก็กลับมาใหม่พอหมดพอบาปหมดกําลังมันก็จะปล่อยให้เราออกมาเกิดใหม่เวลาเราไปสวรรค์พอสวรรค์หมดบุญหมดที่เราบุญที่ส่งเราไปหมดกําลังมันก็จะมันก็จะปล่อยให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปปใหม่ ทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบนะทำอย่างนี้มาเรื่อยๆเขาเรียกวินว่ายตายเกิดเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆเพราะร่างกายนี่มันก็อยู่ได้แค่ไม่เกินร้อยปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามก็อะไรต้องกลับมาเกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็ทุกข์กับมันทุกทีเวลาเข้าโรงพยาบาลสุขมิทุกกันะ <laughs> มีพระพุทธเจ้านี่ท่านบอกท่านไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายท่านก็เลยไปหาวิธีไปศึกษาไปบวชเพราะว่าคนที่จะเข้าถึงจิตได้นี่จะต้องเข้าสมาธิต้องมีศีลถึงจะเข้าสมาธิได้ต้องอยู่คนเดียวอยู่ในป่าเงียบๆต้องทำใจให้สงบพอใจสงบก็จะเข้าไปถึงตัวจิต ตัวเรานี่พวกเราไม่เคยมองเห็นตัวเราหรอกถ้าอยากจะเห็นตัวเรานี่ต้องนั่งสมาธิพอทาใจให้สงบแล้วเราก็จะเห็นตัวเราแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวที่ทำให้เรามาเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากของเราเนี่ความอยากต่างๆอยากดูอยากฟังก็ต้องมีร่างกายใช่ไหมถ้าไม่มีร่างกายดูได้ไหมฟังได้ไหมสมมุติ ร่างกายนี้ตายไปคุณยังอยากดูยังอยากฟังอยู่คุณจะทำไงคุณก็ไปหาร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่นี่ไปเกิดใหม่ไม่มีร่างกายไหนที่เกิดแล้วไม่ตายเลยได้มาร่างกายกี่ร่างเกิดมาร่าเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็มาทุกข์กับมันพอเวลาได้ร่างกายมาทีไรก็ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราใช่ไหมนี่ร่างกายนี้เป็นของเราปะ คิดว่าเขาิองเรครับใช่จริงมันก่อนที่มันจะโผล่ขึ้นมาได้มันอยู่ที่ไหนร่างกายนี้เคยคิดั้างไมไม่รู้เลยอ่ามันมาจากใครละ่ะพ่อแม่เราในะเวลาที่พ่อแม่ยังไม่ได้เจอกันมันอยู่ที่ไหน <c oughs> แล้วเราอยู่ตรงไหนตอนนะไม่รู้เลย <c oughs> เป็นกายท่พิ์อยู่ <c oughs> ยังเป็นกายที่อยู่<อ>ยัง<อ>ยังกายยังร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรา แสดงว่าเรามีเราเรามีกายที่เราเรอจังหวะที่จะให้ได้ร่างกายใหม่เหมือนเราไปเราซื้อรถยนต์กันใหม่รถขันยะรถเก่าพังไปแล้วก็ไปจองรถใหม่รถยังไม่ทันผลิตแล้วก็ซื้อใบจองไว้ก่อนนะใช่ไหมพอพอร่างกายนี่เริ่มผลิตพอตั้งคันปั๊บมันเราก็ไปถ้าจังหวะถึงใบถึงคิวเราที่จะได้ถึงจะได้ร่างกายเราก็ได้แล้ว แล้วเก้าเดือนก็ออกมาแล้วก็ขับมันออกมาจากท้อง <c oughs> ใช่ไหมแล้วเราก็อยู่กับมันมาทุกวันแล้วก็เคิดว่าเป็นมันไปเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วเดี๋ยวถึงเวลาแยกกันมันไปแยกกันที่ไหนแยกกันที่โรงพยาบาลแยกกันที่เมรเนี้ยร่า <c oughs> งกายมันก็กลับคืนสู่นิ่งน้ํำลมไฟ เวลาตายมันมันกลายเป็นอะไรเวลาไปเผาอะ mm hmm. ก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปแล้วเวลามันมามันมาจากอะไรออกจากท้องแม่เราต้องทำอะไรต้องหายใจนะหายใจก็เอาธาตุลมเข้าไปแล้ว mm hmm. กินนมก็เอาธาตุน้ําเข้าไปแล้วแล้วในน้ําในน้ํานมก็มีธาตุดินมีสารอาหารต่างๆอันั้นก็เป็นธาตุดิน แล้วมันก็ทำให้เกิดธาตุไฟขึ้นมาเวลาธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินมาผสมกันมันก็ทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายร่างกายก็คือธาตุสีน่นี้ดินน้ำลมไฟตอนนี้เราเอาเอาธาตุลม้าไปอยู่ใช่ไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวหิวน้ำก็เอาน้าดื่มเติมเติมธาตุอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เติมดินใช่ไหมเวลากินข้าวข้าวมาจากไหน ถ้ามาจากท้องฟ้าหรือมาจากดินนะแล้วต้องมีน้ำทำให้ข้าวโตไหมมันก็ต้องมีทั้งดินทั้งน้ำแล้วก็ต้องมีทั้งไฟต้องมีความร้อนถ้าถ้าเป็นหิมะนี่มันก็ต้นต้นไม้ก็ไม่ขึ้นนะถ้ามันหนาวมันก็ต้องมีธาตุไฟมีความร้อนอุณห ภ, ภูมิเนี่ยเราก็เอาธาตุดินเข้ามาร่างกายเราจึงโตขึ้นมาได้กินดมกินน้ากินข้าว กินผักกินอะไรเนี่ยมันก็เป็นดินน้ำลมไปแล้วพอมาเข้าเป็นเข้ามาในร่างกายมันก็มาเปลี่ยนเป็นอะไรผมขนเล็บฟันเนี่ยผมก็ยาวขึ้นเล็บก็ยาวขึ้นฟันก็ยาวขึ้นหนังเนื้อก็ใหญ่ขึ้นกระดูกก็ใหญ่ขึ้นก็มาจากอะไรอ่ะจากอาหารที่เรากินเขาเ้าไปแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนในในร่างกายนี้ ไม่มีส่วนเราเลยอยู่ยมีแต่น้ำดินน้ำนมไฟนะเราเพียงแต่เป็นคนขับคนขับร่างกายอันนี้เราเป็นคนสั่งให้ร่างกายมาที่นี่วันนี้ถ้าเราไม่สั่งมันไม่มาหรอกใช่หไหมเราคิดเ ใ, ใจเราเป็นผู้คิดผู้รู้เรารับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เรารับจากตาหูจมูกเล่นกายถ้าเราหลับตาก็จะไม่เห็นภาพเรานะถ้าปิดหูก็จะไม่ได้ยินเสียงนะผู้ที่ได้ยินเสียงที่รับภาพนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนกล้องเนี่ยกล้องนี้มันก็ถ่ายภาพอยู่ตาเราก็ถ่ายภาพอยู่แต่คนที่ดูภาพนี้ไม่ใช่ร่างกายคือใจเนี่ยกายทิพย์นี่แหละเป็นตัวที่รู้ ตัวรู้ ร, รู้รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้แล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากก็เลยต้องพออยากแล้วก็ต้องดูอยู่เรื่อยอยากดูภาพนี้แล้วอยากดูภาพนั้นอยากได้ยินเสียงนั้นอยากได้ยินเสียงนี้อยากพ อ, อเกิดความอยากขึ้นมาก็เลยลักร่างกายหวงร่างกายเหมือนเราหวงกล้องเนี่ย ถ้าเราใช้กล้องเราก็หวงมันใช้มือถือนี่เราก็หวงมันเราไม่อยากจะให้มันเสียไม่อยากจะให้มันหายไปอันนี้ทามือถือหายไปเปไ็นงานเดือดร้อนไหมติดต่อใครไม่ได้พอมือถือเสียหายไปทำไงรีบไปที่ร้านเลยซื้อใหม่เลยร่างกายก็เป็นมือถือเนี่ยใช่ไหมพอร่างกายนี้ตายไปทำไงก็ไป ซื้อใหม่เลยแล้วเวลาจะซื้อก็ต้องรอคิวก่อนแล้วช่วงรอคิวก็ไปไปไปรอที่สวรรค์หรือรอที่นรกก่อนขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำเลเนี่แคือเรื่องของพวกเราเรื่องของร่างร่างทิพย์ของเราร่างทิพย์เนี่ยเป็นตัวเราเราอยู่ที่ร่างทิพย์เราเป็นคนคิดใช่ไหม ร่างกายคิดไม่เป็นเวลาไม่มีร่างทิพย์ร่างกายมานอนแข็งทื่ออย่างนี่นะใช่ไหมหรือเวลานอนหลับมันก็มันก็ไม่ทำอะไรอนนถ้าร่างทิพย์ปล่อยปล่อยร่างกายไว้ชั่วคราวให้พักผ่อนส่วนร่างทิพย์นี่มันไม่ต้องพักผ่อนมันก็ไปเที่ยวต่อไปฝันต่อฝันร้ายฝันดีไปตามอนานาจของบุญของบาปที่ทำมาถ้าเรา อยากจะรู้อนาคตของเราว่าเราจะไปไหนก็ดูที่ความฝันของเราเนี่ยเราฝันดีหร้ฝันร้ายถ้าฝันร้ายก็อนาคตก็คือนรกเนี่ยถ้าอยากจะแก้ยังแก้ได้ยังขณะที่มีชีวิตอยู่ก็พยายามมาทําบุญบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะฝันดีอย่าไปทำบาปถ้าไปทำบาปไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ดื่มชุลายาเมาแล้วก็ไปทํเลาะวิวาทไป ตีหัวคนนั้นไปด่าคนนี้เนี่ยมันก็มันก็จะสะสมบาปไว้ในใจสะสมนรกไวในใจแต่เราอยากจะสะสมบุญอยากสะสมสวรรค์ก็เนี่ยทำบุญบ่อยๆทำบุญทุกวันวันละเล ก, กวนละน้อยทาไปใส่บาทบ้างให้เงินคนนั้นคนนี้บ้างช่วยคนนั้นคนนี้บ้างนี่เรื่องเป็นการทำบุญทำกับใครก็ได้ไม่ต้องทำกับพระอย่างเดียว ทำกับมนุษย์ทำกับสัตว์เดละชาติทำกับคนที่เรารู้จักทำกับคนที่เราไม่รู้จักเป็นเป็นการสร้างสวรรค์ให้กับเราเพราะเราจะรู้สึกดีใช่ไหมเวลาเราได้ช่วยเหลือคนอื่นเรารู้สึกยังไงทุกข์หรรู้สุขถ้า <c oughs> ทำามไม่ชอบทํากันถ้า <c oughs> ไปสร้างความทุกข์ทำไะ <c oughs> เวลาไปด่าคนอื่นใจสุขหรือทุกข์แต่ชอบด่าก็รู้กัน ชอบสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองความสุขไม่ชอบสร้างเพราะคิดว่ามันไม่มีผลตามมาเนยความสุขความทุกข์ที่เราให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะกลับมาหรอดังนั้นตอนนี้เรามาสร้างความสุขให้กับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราก็จะได้รับความสุขจากการช่วยเหลือคนอื่น การที่เรามาช่วยเหลือพระนี่เรามีประโยชน์สองเด้งนอกจากได้รับความสุขจากการช่วยเหลือพระแล้วเราได้คุยกับพระแล้วเราจะได้ยินได้ฟังธรรมะได้รู้จักตัวเราดีขึ้นอย่างวันนี้ถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็ไม่ได้ฟังเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่นี่รนเราก็ยังจะไม่รู้จักตัวเราว่าเป็นใครกันนะ เ, เราก็ยังคิดว่าเราเป็นร่างกายอยู่แต่ตอนนี้เรารู้ว่าเราไม่เป็นร่างกายแล้ว ต่อไปเราก็ไม่กลัวละร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้ยิ่งอยากให้มันไม่แก่ก็ยิ่งทุกข์ทรมานใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยากเราจะไม่ทรมานเชื่อไหมลองลองปร ง, งดูเลยลเจ็บก็เจ็บเจ็บก็ส่งเข้าอูเหมือนรถเนี่ยให้หมอรักษาหมอเ็เป็นเหมือนกับช่างซ่อมรถเ่หมอซ่อมเขาก็ซ่อมไปซ่อมได้เขาก็ซ่อม ถ้าไม่ได้ก็เขาบอกว่าเออต้องไม่ได้ก็ต้องรอให้มันตายไปตายไปก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ตายไปกับมันเราก็ไปรอที่สวรรค์ถ้าเราทำบุญเยอะๆอ่าแล้วเดี๋ยวพอถึงคิวเราที่ได้ร่างกายเราก็ได้ร่างกายใหม่และได้ดีกว่าอันเก่าด้วยคนที่ทำบุญนี่มีเครดิต จะได้ซื้อของที่ดีกว่าเก่าได้ซื้อรถคันใหม่ที่ดีกว่าเก่าแต่ถ้าคนทำบาป น, นี่เป็นคนมีหนี้จะซื้อรถได้ไม่ได้ดีกว่าเก่าคนที่ไปรอในนรกนี้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์นี่จะเป็นอาภัพวาสนาเห็นไหมหูหนวกตาบอดแขนขาดเอขาหัก พ, พี่กนพิการ รูปล่างหน้าตาไม่สวยงามอันนี้เป็นผลต่อเนื่องจากบาปที่เราทำไว้มันก็จะส่งให้เรามาเกิดเป็นคนที่ต่ำต้อยแต่ถ้าเป็นบุญส่งมาเรากลับลงมาจากสวรรค์เราก็จะมาแบบมีบาลมีมีคแตกันแมเกิดจากพ่อแม่ดีกัน ก็ยังไม่เหมือนกันบางคนนี่เป็นั่างด้วยรักษณนิบาราังบางคนต่างตั้งว่าที่มาที่ไปมันมาจากคนละที่กันร่างกายมาจากที่เดียวกันแต่ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้มันจากคนละที่ขณะที่ร่างกายกำลังก่อตัวนี้ใจที่เข้าไปครอบครองนี้มันมีส่วนที่ทำให้ร่างกายนี้เป็นอะไรไป ร่างทิพย์ที่มันมีบาปนี่มันจะเป็นร่างทิพย์ที่มันจะทำให้ร่างกายนี้พิกลพิการได้ร่างทิพย์ที่มีบุญ ม, มันก็จะทำให้ร่างกายนี้สวยงามไม่จะเป็นรูปของพ่อแม่คนเดียวกันพี่น้องกันหน้าทางลงทีสวรรค์กับพาสับดินนะแลาวใจที่มาครอบครองงางการนี้มาจากพาสับดิน boyfriend. ใจที่มาจากฟ้าาจที่ลงมาจากสวรรค์ใจที่มาจากดินกับใจที่ขึ้นมาจากนรกท่านถึงบอกว่ากรรมคือการกระทําของเราเนี่ยเป็นตัวจาําแนกแยกสัดให้เป็นอะไรไปต่างๆนานะไม่เหมือนกันแม้จะมีพ่อแม่คนเดียวกันแต่หน้าตาจะไม่เหมือนกันวาสนาบาลนมีไม่เหมือนกัน อายุอินญาน า, ไ า, น า, า, า, าไม่เท่ากันอาการใา้ทิศชอไม่เท่ากันสติปัญญาไม่เท่ากันรับสมบัติเข้าของยันท้งจะได้มาก็าไม่เท่ากันนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้สอนกับชาวโลกแล้วนำมามวยแผ่สั่งสอนให้แก่ทุกหน่วยเพื่อให้ทจะได้รู้จักวิธี ดำ เ, เนินชีวิตที่ถูกต้องที่จะได้สิ่งที่เราอยากจะได้กันได้ความสุขได้ความเจริญนล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดท่านก็สอนว่าให้บวชเพื่อจะได้ตัดความอยากนะจ๊ะคนี่มาบวชนี่เข้ามาตัดความอยากอยากดูหนังก็ดูไม่ได้อยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้อยากนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้ให้ตัด ถ้าตัดความอยากได้หมนก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะเมื่อตัดความอยากไน้หมนก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากกินไม่อยากดื่มไม่อยากนอนหลับตะไครก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ร่างกาอไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเหมือนถ้คุณไม่ต้องไปไหนมาไหนคุณต้องไปชื่อรอนใหม่เมืถ้าคุณอยู่บ้านไม่มีธุระไม่มีเหตุที่ต้องออกนอกบ้าน มีของทุกอย่างในบ้านครบบริบูรณ์ต้องการอั้รก็มีอยู่ในบ้านคุณจะออกไปนอกบ้านให้เหนื่อยทาไมแล้วนั่งรถปิดรถบนท่าถนนเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุอยู่บ้านปลอดภัยกว่าสบายกว่าใจที่ตัดความอยากได้จะเป็นใจที่อิ่มที่พอที่จะไม่หิวกับสิ่งต่างๆหมือว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในใจอยู่แล้ว อยากจะได้มันก็มีอยู่แล้วเมื่อมีอยู่แล้วจะออกไปหาอะไรข้างนอกทัไมที่เราออกไปหาเพราะว่าเรายังหิวอยู่เรายังอยากอยู่มันยังไม่มีสิ่งที่เราอยากได้เราก็เลยต้องออกไปหาแต่ถ้าเราตัดความอยากแล้วไอ้ความอยากความรู้สึกที่ว่าอยากจะได้นู่นได้นี่มันหายไปมันก็เลยทำให้เราเหมือนก็เรามีทุกสิ่งทุกอย่างหรือใจมันมันก็เลยไม่ต้องไป มีร่างกายไม่ต้องไปมีตาหูจมูกไม่กลับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะจาต้องการมากที่สุดคือการไม่กลับมาเกิดก็ถ้ายังกลับมาเกิดก็เดี๋ยวก็ต้องมาเจอความเจ็เบไข้ได้ปวดเดี๋ยทีไรเป็นไงวาดเสียวไหม <c oughs> ยิ่ท่านหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้ทําไงเปลี่ยนเครืใหม่เลยตอนนี้ทําจาได้ใช่ไ้ย <c oughs> น่าจะทําทจาได้แล้วนะออ <c oughs> ถ้ารู้แล้วมันไม่เชิตัวเรามันจะต้องเป็นแน่ๆมันจะต้องตายแน่ๆพวกเราทุกคนนี่มีใครไม่ตายบ้างทีนี้จะตายกันเมื่อไหร่พวกเราไม่คิดกันก็เลยไม่กลัวกันมันต้องไม่เจอของจริงจะกลัวกัน ต้องไปหาหมอแล้วหมอบอกรักษารวมนี้ไม่ได้ไทีเนี้มันจะกลัวแล้วตอนนี้พูดยังไงก็ไม่กลัวต้องกระเสือกระดาษ ย, ยังไม่ได้เจอเสือจีนเราไม่เจอเสือจีนเลยถึงจะจะเฉยๆแบบนี้ ไ, ด, ไ ด, ด้ถ้าเฉยได้ก็เก่งถ้าเฉยได้ก็แสดงว่าตรงงานวางได้ไม่โคตรตาย ทำได้ไหมการร่า ง, างทำดูทําได้แล้วจะสบายไหต้องคิดถึงความตายบ่อยแล้วบอกพ่อมจะตายพ่อมจะตายเมื่อมันจะตายเราห้าไมได้หรือเราซอใจดูก็สอบใจถ้ายัางทําใจไม่ได้ก็ต้องมานั่งสมาธิกันการนั่งสมาธิจะทําให้ใจเรานิ่ง จะทำให้ใจเราไม่หวั่นถ้าเราคิดถึงความตายหรือเจอความตายแล้วใจเราสั่นนี่แสดงว่าเราไม่มีสมาธิเราก็ต้องมาง่ายสมาธิการใจให้นิ่งแล้วต่อไปเวลาเจอความตายเราจะไม่สั่นอันนี้ยังสั่นอยู่นะและน่าละมันฟุ้งเหรอครับก็ต้องใช้สติครับต้องมาสร้างสติกัน จะติดเเขเครื่องเบรคข อ, ของความคิดมันวิ่งมีงงงงงดูวิ่งมีดูอยู่ด้านหน้าง่ายใช่พุโทโธเดีงงยวหมดเลยใช่พุโทโธเดียวหมดเลยลองพุโทโธพุโทโธพุทโธไปมันก็ปนไปไม่ได้คนลองท่องดูถ้าคุณทําพุโทโธพุโทโธคุณจะไปคิดถึงคน น, ค น, นี้คนนี้ได้ถ้าคุณต้องอยู่กับพุโทโธอย่างนี้เพราะใจของคุณคิดได้ที่เราเรื่อนใช่ไหมคุณจะคิดที่สิบเรื่องแนมพอๆกันไม่ได้คุณคิดได้ที่เราเรื่องถ้าคุณคิดอยู่กับพุทโธคนก็จะไปคิดเรื่องอย่ไม ทันทีท่สอให้เราพูดโทรพุดโทรเลเราต้องพูดโธตามลมหายใจเนะีครับไม่ต้องไม่ต้องใช่ไห ม, ไมครับเพราะเวลาเราทําเราต้นเราต้องการทําทั้งวันแลเราจะไปดูลมหากอย่างยากก็อยู่กับพูดโธไปเลยลก็ทําพุดโธรไปเจอวิ่งเจอาขึ้นมานก็พุดโธเลยทําทําะายที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุดโธ เสร็จขึ้นมาเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาข้าวล้างหน้าเป็นควันแต่งห้แต่งตัวก็พุดโธรไปอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั่นคนนี้นอกจากว่าต้องคิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรต้องไปทําอะไรก็หยุดพุดโธรไว้ชั่วคราวเสร็จเสรจขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่าวันนี้วันอะไรมีธุระจะต้องไปทําอะไรตอนแรกก็คิดได้เราคิดเสร็จแล้วด้ว่าเราต้องทําอะไรมันเข้าไปเตรียมตั ว, วขณะที่เตรียมตัวก็ไม่ต้องคิด พุโทโธพุโทโธไปถ้ามันจะคิดถึงมื่อวานนี่คิดถึงอะไรเรื่องโทเจอก็อยากป่วให้มันคิดพุดโทโธนี่เบรคความคิดต่างได้แต่บาๆมันจะแข่งกันพุโทโธยังไม่มีกําลังพุโทโธไปความคิดเองมันก็ยังแทรกเข้ามาราไม่ต้องไปสนใจให้อยู่เด็กกับพุโทโธไปอย่างนี้แล้วต่อไปพุโทโธมันจะมีกําลังมากๆขึ้นแล้วความคิดต่างๆนั้นก็จะ ถ้าเรามีพุทโธนะเวลานั่งพ like ุทโธมันก็จะสงบมันก็จะไม่คิดเรื่องนัเรื่องนี้ใจก็จะนิ่งแล้วก็จะเย็นจะสบายจะปล่อยวางร่างกายแล้วต่อไปเวลาที่จะต้องปล่อยวางร่างกายแล้วก็ใช้วิธีการนอนเจ็ดค่ายแรกตัวจะโรงพยาบาลแล้วก็พุทโธพุทโธกันคือพุทโธไม่ต้องตามลหายใจใช่ไหมไม่ต้องตามอ๋อพุทโที่ทานมาจะตามลมหายใจตลอดไงอ่าไม่ต้องตาม นอกจากเราชอบอยากจะตามก็ได้ไหรับแต่ไม่จําเป็นต้องตามพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ปนกันก็ได้แล้วแต่แต่เวลาที่เวลาที่มันทําอะไรนี่มันใช้สองอย่างมันยากดูลมด้วยพุโทโธด้วยมันยากเพราะว่าเราต้องทําอะไรอยู่แล้วก็ต้องดูสิ่งที่เราทำอยู่ใช่ไหมในเราทำน้ำเราก็ชอบวัดประมุน เราก็อยู่กับการล่อสะดุดไปแล่อพุทโธไปหรือก็ไปดูลมอีกมันยิ่ยิ่งยิยากเนี่ยจะดูลมได้ก็ตอนที่เรานั่งเฉยๆถ้าเรานั่งเฉยๆที่เราไม่เราไม่มีอะไรทําแล้วเราก็ดูลมหรือเราจะใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ใช้สองอย่างคนกันก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได<ๆ>้หรือหายใจเข้าก็ว่าพุทโธหายใจออกก็ว่าพุทโธก็ได้ แล้วแต่ภาพขนไม่ใช่ไม่ใช่ลมเลยก็ไดนะ้ใช้พุทโธอย่างเดียวกน็ไะ้ไม่ใช่พุทโธก็ได้แค่ลมอย่างเดียวก็ได้อียงแ่เฉพาะเวลานั่งนะในเวลาทําอะไรนี่เราต้องมีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่คือเราทำลอดเี้นเราก็ต้องค ร, รับอยู่กับการขับรถแต่ถ้ารถขับร้วนแล้วอยากรีบอย่างนั้นย่งนี้อยู่กแค่พุดโธ เ, เองให้มันมาอยู่กับการขับรถอย่างเดียว บองทีเราขับรถาไฟเราคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่อย่าปล่อยให้มันคิดเราก็ใช้พูดถกเพราะว่าเวลาเรานั่งเราจะได้ไม่คิดถ้ามันคิดมันก็จะไ ม, ไม่นิ่งแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่มีความสุขถ้าเราสงบนิ่งแล้วมันจะมีความสุขมากแล้วมันก็จะรู้ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขก็ได้ เอาความสุขจากการทำใจให้นิ่งอันนี้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจพอเราได้ความสุขกันนี้แล้วเราก็ทิ้งร่างกายได้แนละ้วร่างกายจะหายไม่หายก็ไม่ไม่กังวลไม่เดือดร้อนดีสิต่อไปจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดละเกิดแล้วก็เรามาเป็นอย่างนี้อ่ะเกิวแล้วเรากลับมานอนในโรงพยาบาลนี้ ยังช่วงดีชาตินี้มีโรงพยาบาลให้นอนแล้วไปเกิดชาติยันยุคที่ไม่มีโรงพยาบาลยิ่งทรมานใหญ่สมัยก่อนนะสมัยโบราณนี้ไม่มีโรงพยาบาลเขารักษากันยังไงก็ทนกันไปแต่ถ้าเรามีพุโทโธเราก็จะมีเหมือนมียาชาที่จะทําให้เราไม่รู้สึกกับความเจ็บปวดของร่างกายเวลาจิตสงบนี้มันจะไม่ไม่ไม่สะเทือนกับความเจ็บของร่างกาย มันจะเฉยๆแต่เวลาจิตไม่สงบนี่มันจะเครียดมันจะทุกขกับความเจ็บของร่างกายเพราะความอยากให้ความเจ็บหายไปยิ่งมีความอยากมากเท่าไหร่ยิ่งเครียดมากขึ้นเท่านั้นถ้าไม่มีความอยากจะไม่เครียดใจเย็นจะสบายบ่ยให้ร่างกายเจ็บไปไม่เดือดร้อนที่จะทำกัน ฝึกสร้างสติกันขึ้นมาอันนี้จะมีประโยชน์มากในยามวิกฤตเวลาเกิดความกลัวเวลาเกิดความโกรธเวลาเกิดความทุกข์ใจนี้ท่องพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายเวลาโกรธใครมากๆนี่พุทโธพุทโธไปทกักพักเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่เราโกรธที่มันไม่หายเพราะเราไปคิดมันอยู่นั่นน่ะคนเขาด่าวตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ยังโกรธอยู่เลยเพราะเรายังคิดอยู่ แต่ถ้าเราพูดโทพูดโทไปป้าบหายไปแล้วมันก็หายโกรธพอมันจะโกรธเดี๋ยก็พูดโทใหม่มันกินยาแก้ปวดพอมันจะปวดก็กินยาแก้ปวดขึ้นมากินยาแก้ปวดความปวดก็หายไปเวลาใจเราโกรธใจเรากลัวใจเราทุกข์ก็พูดโทไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายพอมันเป็นอีกก็พูดโทก หรือถ้าอยากจะให้มันหายขาดก็ต้องใช้อีกขั้นหนึ่งเรียกว่าปัญญาไปดูเรื่องที่ทำให้เราโกรธว่ามันเป็นยังไงทำไมเราเราต้องไปโกรธเขาด้วยเราไปโกรธเขาเพราะว่าเราอยากก็ทำให้นู่นทำให้นี่ให้เราใช่ไหมเราก็ไม่ทำเราก็โกรธใช่ไหมต่อไปก็อย่าไปอยากก็ทำสิถ้าเราไม่อยากก็ทำแล้วเขาจะทำแล้วเราก็ไม่โกรธอันนี้แก้แบบถาวรแก้แก้ที่ความอยาก อยากให้เขาทำนูน่นทำนี่อยากขอยืมเงินเขาเขาไม่ให้ยืมเงินเราล้วก็โกรธก็แล้วอยากให้เขาพาเราไปที่นูน่นที่นี่พอเขาไม่พาเราไปเราก็โกรธแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาทำอะไรให้เราเราจะไปโกรธเขาทำไมนี่ใช้ปัญญาหาสาเหตุของความความโกรธสาเหตุของความกลัวสาเหตุของความทุกข์ก็เกิดจากอะไระความกลัวนี่เกิดจากอะไรกลัวเจ็บ กลัวเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะความอยากไม่ให้มันเจ็บใช่ไหมแต่แล้วความจริงมันเป็นไปได้ไหมที่ร่างกายมันจะไม่เจ็บมันเป็นไปไม่ได้แล้วไปอยากมันทาไมอยากไปแล้วกลัวไปเปล่าๆปทุกไปเปล่าๆปก็ยอมให้มันเจ็บไปเมื่อทำอะไรไม่ได้พอเรา ย, ยอมเจ็บเราก็จะหายเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่กลัวตายแล้วก็แล้วมันไม่ตายเลยร่างกายของคน ยิ่งถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเราจอยกลัวทำไมมันก็เป็นแค่ดินน้ํำลมไฟเดี๋ยวมันก็กลับไปหาดินน้ํำลมไฟตอนนี้มันก็เป็นดินน้ําลมไฟแต่ในรูปแบบของผมขนเล็บฟันเนี่ยผมนี่ก็เป็นดินในชะ่ไหมตัดทิ้งไปในดินมันก็กลายเป็นดินไปต่อไปมันก็ผุหนังก็เหมือนกันเนื้อก็เหมือนกันเอนก็เหมือนกันกระดูกก็เหมือนกันมันเป็นดินทั้งนั้นไม่ใช่ เวลาคนตายเข้าไปฝังมันหายไปไหนหมดฝังแล้วมันก็กลายเป็นดินไปหมดส่วนน้ำมันก็ซึมไปหายไปลมมันก็ระเหยไปไฟมันก็หายไปไฟก็กลับไปสู่ไฟก็ไปหาไฟน้ำก็กลับไปหาน้ำลมก็กลับไปหาลมดินก็กลับไปหาดินนี่คือร่างกายของเรา ก็คือดินน้ำลมไฟนี้ดีๆนี่เหมือนเหมือนกับศาลาหลังนี้มันก็ดินนี่มันต้นไม้นี่มันก็มาจากดินเดี๋ยวทิ้งไปสักไม่กี่ปีมันก็ผุพังหมดแล้วมันก็กลายเป็นดินเลยของทุกอย่างมันเป็นดินน้ำลมไฟร่างกายเราก็ดินน้ำลมไฟเราเพียงแต่มาเป็นเจ้าของไว้ชั่วคราวเราต้องรู้ว่าเป็นสมบัติชั่วคราวถึงเวลาที่เราจะต้องคืนเจ้าของเดิม เหมือนเรายืมเข้ามายืมร่างกายมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนให้กับดินน้ำลมไฟไปดูคนตายนะยังไงแต่ละคนเวลาตายไปแล้วหายไปไหนหมดก็กลับไปเป็นดินกายเผาไว้ก็เหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกนี่คือร่างกายของเราที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลามันจะไปเราจะได้ส่งมันไปอย่างมีความสุขถึงเวลาต้องจากกันแล้จัดงานวันตายให้มันเราชอบจัดงานวันเกิดกันเราควรจะมาหัดจัดงานวันตายกันบ้างมีไหมวันนี้จะเชิญเพื่อนมาร่วมงานวันตายกันหน่อยเตรียมตัวตาย มันเกิดมันผ่านไปแล้วไปเลี้ยงมันทําไมใช่ไหมต้องเลี้ยงมันที่ยังไม่เกิดสิยังที่ยังไม่มาสิเลี้ยงมันตายเลี้ยงฉลองตอนรับมันตายกัน่ะถ้าเรารู้ว่าเราไม่ตายเราไปกวนทำไมเราจะได้เอส่งร่างกายไปอย่างอมีเกียรติมันรับใช้เรามานานแล้วถึงเวลามันจะไปก็เลี้ยงส่งมันหน่อยใช่ไหมเวลาคนใช้เวลาก็ทํางานกับเรามานานๆแล้วเขาจะขอลาออกจากงานเราก็อยากจะเลี้ยงส่งเขาใช่ไหม ร่างกายนี่ก็เป็นเหมือนคนรับใช้เราเนี่ยเราสั่งให้มันมาที่นี่สั่งให้เราไปที่นู่นทำนู่นทำนี่มันก็ทำให้เราทุกอย่างนี่เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องกลับบ้านเก่าเราก็ส่งมันจัดงานเลี้ยงส่งมันไปสแสดงว่าเรายินดีให้มันไปถ้าเรายินดีให้มันไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยินดีไม่อยากให้มันไปเราก็จะทุกข์ ยันเราต้องพยายามปล่อยวางยินดีที่ให้เขาไปเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปแล้วเวลาเราจากกันเราจะไม่ทุกข์ไม่ว่าแต่ร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของแฟนของสามีภรรยาของลูกทั้งวันต้องจากกันถ้าเรายินดีจากกันเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยินดี เราอยากจะอยู่กันไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องเป็นที่เป็นไปไม่ได้เรื่องที่เป็นไปได้กับไม่อยากกับไปอยากในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันก็เลยทุกข์ถ้าอยากกับเรื่องที่เป็นไปได้มันจะไม่ทุกข์อยากจะจากกันนอ๋อ ไ, ไ, ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวได้จากกันแน่เดี๋ยวก็ได้สมใจได้สมหวังเวลาสมหวังแล้วมันจะไปทุกข์ได้ไงก็เราดีใจเพราะสมหวังมันไม่ม cing, ไมใช่เลยอยากจะได้อะไรก็ได้ก็ดีใจกันใช่ไหม ก็อยากจะให้ก <usted> ็อยากให้มันจากกันสิมันจะได้เวลาจากกันจะได้ดีใจแทนที่จะทุกข์เราต้องมาเปลี่ยนใจใหม่ปรับใจใหม่ให้อยากในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วจะไม่ทุกข์อยากไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะทุกข์เช่นอยากไม่แก่นี่มันจะทุกข์เวลาเจอความแก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันจะทุกข์เวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายเนี่ยมันจะทุกข์เวลาเจอความตาย แต่ถ้าอยากจะแก่เวลาเจอความแก่มันก็ดีใจอ๋อได้ได้แก่สมหวังในชะ่ไหมสมัยเป็นเด็กเด็นี่ก็อยากจะโตกันไม่ใช่เหรอพอโตแล้วสมหวังนะสมหวังพอโตแล้วมันจะไปหยุดตรงนั้นมันก็ต้องแก่ต่อไปก็อยากแก่ต่อไปนะี่มันก็จะได้สมหวังเหมือนตอนที่เป็นเด็กพอมันแก่แล้วก็อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไปเที่ยวโรงพยาบาลนะ เรได้เจอหมอเจอพยาบาลเจอเจอยาเจอเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆออยากในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วเราจะไม่ทุกข์อยากจะตายพอพอจะได้ตายมันก็จะดีใจอ๋อสมใจอนะาจทําใจให้มันรับกับความจริงแล้วจะไม่ทุกข์ตอนนี้ใจเราไม่ยอมรับความจริงกันมันก็เลยทุกพยายามหนีหนียังไงก็หนีไม่พ้น มันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราหนีความแก่นีความเจ็บนีความตายไงก็หนีไม่พ้นมันตามเรามาทุกแห่งทุกคนไปที่เมืองนอกมันก็ตามไปไปที่โลกพระจันย์มันก็ตามไปเช่อไหมความแก่ความเจ็บความตายนี่มันเป็นเงาตามตัวเรานั้นอย่าไปห น, นีมันยินดีต้อนรับมันดีกว่าเอเรายินดีต้อนรับมันแล้วเราก็จะดีใจเวลามันมาหาเรา เหมือราอยากจะเจอเพื่อนเนี่ยพอเพื่อนมาหาเราเราดีใจไอมก็มองว่ามันเป็นเพื่อนเราสิมองความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นเพื่อนของเราพอมันมาหาเราเราจะได้ดีใจอ๋อไม่ได้เจอกันทนานรอเธอต้องนานพึ่งมาวันนี้เองหนังเริ่มหิวแล้วนะหัดทําใจใหม่เปลี่ยนใจใหม่แล้วเปลี่ยนความคิดใหมยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา นั่งกายเป็นคนรับใช้เราเขามารับใช้เราเราเป็นเจ้านายเขาใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเราก็รับใช้เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาไปเขาก็ชอบใช้เราไปพอถึงเวลาที่เขาจะต้องเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปถึงเวลาเขาจะตายก็ให้เขาตายไปเราจะไม่ทุกข์เลยพระพุทธเจ้าท่าน ทำอย่างนี้มาสําเร็จแล้วท่านเองมาบอกพวกเราว่าทาอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์กันเราต้องมองว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้เจ็บไม่ได้แก่ไปกับร่างกายอ่ะมีใครอยากจะถามอะไรมหมอยากระถามวิธีการสร้างบุญอยที่ถูกต้องคือเอา เอาภาพรวมดีกว่าบุญการทำบุญก็คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะวิธีไหนยกเว้นวิธีที่ผิดศีลผิดธรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเช่นเขาชอบเลื่มสุลาแล้วเอาสุลาให้เขาดื่มเนี้ยถึงแม้เขาจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่มีโทษแต่ถ้าเขาไม่มีข้าวกินเนี้ยซื้อข้าวให้เขากิ น, นไม่มีโทษ ให้ความสุขแบบนั้นไม่มีข้าวไม่มีเสื้อผ้าไม่มียารักษาโรค <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีเมียน้อยก็หาเมียน้อยมาให้เขา <c oughs> อย่างนี้มีโทษอย่าให้อย่าทำแบบที่มันผิดศีลผิดธรรมหรือผิดกฎหมายช่วยเหลือผู้อนให้ผู้อ่นก็มีความสุขโดยวิธีที่ถูกศีลถูกศีลและธรรมถูกกฎหมายก็จะเป็นเ ร, เรียกว่าเป็นการทาบุญเช่นปล่อยนอกปล่อยปลานี่มันไม่เป็นโทษใช่ไม ปลาเขาจะถูกเขาค้างเางนี้แล้วก็ไปไปไปถ่ายชีวิตเขาไปปล่อยให้เขากลับไปมีชีวิตอยู่ต่อไปอันนี้ก็เป็นการทำบุญการทำบุญมันมีหลายวิธีดนวยกันแต่โดยรวมก็คือช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีความสุขให้เขาพ้นทุกข์กันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทำเป็นบุญหมดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติสนิทมิตสหายเป็นคนที่รู้จักไม่รู้จักคนแก่คนเจ็บคนชราคนพิการ พระสงฆ์องค์เจ้าทําได้หมดได้บุญเหมือนกันแย่แต่ว่าประโยชน์แด้งสองนี้อาจจะได้ไม่เหมือนกันถ้ามาทํากับพระก็จะได้คุยกันได้ฟังธรรมะแต่ถ้าไปทํากับคนอื่นก็จะไม่ได้ฟังธรรมะถ้าไปทํากับโรงพยาบาลก็จะได้คุยเรื่องเรื่องหมอเรื่องยาเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องวิธีรักษาโรคถ้าไปทําบุญที่โรงเรียนเขาก็จะคุยเรื่องวิชาการต่างๆให้เราฟัง แล้วแต่เราทํากับใครเราก็จะได้ลผลผลตอบแทนที่เป็นของแถมเรียกว่าเป็นของแถมแต่บุญนี่ได้เหมือนกันบุญนี่เหมือนกับเวลาเราไปเติมน้ํามันรถเนะี่ยเวลาเราไปเติมเติมน้ํามันเราต้องการน้ํามันใช่ไหมแต่บางทีปั๊มเขาก็มีของแจกให้บางปั๊มก็แจกผ้าบางปั๊มก็แจกน้าอยู่ที่ว่าเราต้องการของแจกแบบไหนเราก็เลือกปั๊ม ถ้าอยากจะได้น้ำดื่มฟรีก็ไปเติมน้ำที่เขาปั๊มที่เขาแจกน้ำดื่มฟรีถ้าอยากจะได้ผ้าเช็ดหน้าก็ไปเติมปั๊มที่เขาแจกผ้าเช็ดหน้าหรือบางปั๊มก็มีแจกชิงโชคก็ลองไปไปเติมกับปั๊มที่เขามีการชิงโชคอันนี้เป็นเป็นของแถมแต่การที่เราไปปั๊มนี่เราต้องการไปอะไรไปเติมน้ามันใช่ไหมไม่ใช่ไปรับของแถมแล้วน้ำมันไม่เติมเดี๋ยวรถก็วิ่งไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราไปทําบุญกับใครก็เหมือนกับเราไปเติมน้ามันให้กับใจเราเติมความสุขเติมความดีให้กับใจเราแล้วเราก็จะได้ของแถมจากคนที่เราไปทําบุญด้วยเขาเราก็ต้องคุยเขาอย่างน้อยก็ต้องคุยกันเขามีอะไรเขาก็จะเล่าให้เราฟังอันนี้มาีมาทําบุญที่นี่ก็เราก็คุยเรื่องธรรมะกันแล้วไม่มีอะไรจะมีความสำคัญที่มีประโยชน์เท่ากับธรรมะ เพราะเป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้ในโลกนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแล้นานๆจะมีความรู้แบบนี้มาให้พวกเรารู้กันสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งและเนี่ยศาสนาพุทธนี้ไม่ได้อยู่ไปตลอดนะพระพุทธเจ้าบอกอยู่ได้แค่ันปี หลังจากนั้นถ้าเรากลับมาเกิดหลังจากห้าพันปีไปแล้วก็จะไม่มีศาสนาพูดมาสอนมาบอกเราแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราก็อยากไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็จะทุกข์กับเวลามันเจ็บเวลามันจะตายแต่วันนี้เรารู้แล้วมันไม่ใช่เป็นร่างกายไม่ไม่ใช่เป็นตัวเราแล้วเรารู้วิธีที่จะทําให้เราไม่ทุกข์กับมันด้วยการปล่อยวางปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันตายไป โดยการทำสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจสงบก็จะปล่อยได้ถ้าใจไม่สงบมันก็ไม่ปล่อยเราต้องปฏิบัติเนี่ยเพียงแต่ฟังเฉยๆนี่มันไม่พอนอกจากคนที่มีสมาธิอยู่แล้วพอฟังแล้วเขาก็ทำได้เลยคนบางคนมีสมาธิมาจากชาติก่อนใจเขาเย็นใจเขาสบายใจเขานิ่งพอบอกให้เขาปล่อยอลไรเาก็ปล่อยได้ แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังบอกให้ปล่อยแต่เรายังไม่ปล่อยก็แสดงว่าใจเรายังไม่นิ่งเราต้องไปนั่งสมาธิหัดพุทโธไปก่อนสร้างพุทโธพุทโธขึ้นมาแล้วพอพุทโธมีกำลังก็จะทำให้ใจนิ่งได้พอใจนิ่งมันก็จะปล่อยร่างกายได้เวลาเจ็บก็จะไม่ทุกเวลาตายก็จะไม่ทุกถ้าอยากจะเอาเรื่องที่เราคุยกันนี้ไปอ่านไปฟังก็หยิบไดน้นเนี้ จากแต ไ, ไปฟังคนเดียวไม่พอเดี๋ยวมันลืมต้องเาไปอ่านซ้าไปฟังบ่อยๆมันจะได้ย้ำจะได้จดจำได้ถ้าเดี๋ยวไม่ฟังกลับไปเห็นของก็เป็นของเราไปหมดแล้วเห็นอะไรก็เป็นของเราไปหมดเดี๋ยวก็ลืมแกลืมเจ็บลืมตายกันน ะ, ะนี่คน คนฟังคนดูทั่วโลกอันนันเนี่ยขณะ น, นี้ถ่ายทอดสดรู้ไหมเนี่ยเนี่ยถ้าคุณมี a ฟ e b o o k คุณเข้าไปได้เนี่ย อ, อยู่ที่ไหนเข้าไปได้หมดเอาไปหน้าพระอาจารย์สุชาติเนี่ยลองเข้าไปดูสิเดี๋ยวจะเห็นหน้าตาตัวเองเดี๋ยวแพนไปถ <laughs> ่ายอางนี้ทันสมัยมากเทคโนโลยี ถ่ายทอดสดแบบใช้เครื่องไม้เครื่องมือคือมือถือเครื่องเดียวนะแล้วคนรับก็มีมือถือก็รับกันได้ทุกแห่งทุกคนไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้จะต้องมีดาวเทียมมีกล้องใหญ่มีสถานีถ่ายทอดอะไรอันนี้มันมีมือถือเครื่องเดียวก็พอเข้าได้ถ้ า, ว, าว่าอนาคตคงมีขอ ง, ของครูบาอาจารย์ท่านอื่นตามมากรับอ า, าจารย์ก็ ม, ม, นะมีมันก็เป็นของที่ไม่ ทุกคนก็ใช้กันได้ครับแม้แต่ภาพรูปไหนอยากจะถ่ายทอดสดก็ถ่ายทอดได้อันนี้ดูย้อนหลังเลยก็ได้ดูย้อนหลังได้ทันทีเพราะออถ้าสดก็มีถ้าสดมันก็จะออกมามกถ้าสดมันจะมีแต่เฉพาะช่วงบ่ายสองถึงสี่โมงถ้าเกิดไปถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ไปลงยูท b e แล้วมาโพสเี่มันช้าเขาประจาง ก, กว่า จะแปลงภาพว่าจะอะไรกูเข้าเข้าไปได้ยังเข้าได้ยังได้แล้วใช่ไหมอ่าไหนแพนนี่ก็ดูหน้าตาเราหน่อยนี่อจะได้รู้ว่าถ่ายแล้วอมาลงแต่มันช้าหน่อยนะกล่าวภาพจะมาถึงบอกภาพจมาทีห้าห้าวิห้าหกวินาทีเดี๋ยวก็จะเห็นหน้าตาเรา เห็นแล้วใช่ไหมเห็นหน้าตาเราใช่ไหมยืนยันได้ว่ามาที่นี่วันนี้รถจับางม่ใครไม่ได้มาแล้วบอกว่ามาไม่ได้แล้วแต่วันนี้ระวังอย่าไปโกหกใครไม่ได้นะอ่เชิญอะไรต้องการอะไรอีกครับ ต้องอยู่ในกล่องสีเหลืองนดี๋นี้วันธรรมดาคนนี้จะมาถามคําถามแบบลับๆไม่ไม่ไปได้แล้วต้ององหลังไม้ต้องรอให้เลิกถ่ายทอดก่อนหลังไม้ทางนี้มีอะไรไหมไม่มีพรอาจารย์ครับมีคำถามของอ่าทางบ้านคนหนึ่งเขาเป็นชาวมาเลเซียตอบให้เองขาบทไหมครับภาษาอังกฤษครับโอเคลองดูครับอ่าอ่านได้ปะ ได้ครับเพราะว่าสั้นๆครับอาจารย์เขาถามว่าอาจจคถามจากคุณโนวานะครับ Wood afternoon อาจารย์ Can you teach me how to control my anger? Your anger can be controlled by two two things. One the first one is mindfulness. You have to use uh, a mantra like butto butto. When you get angry, just keep reciting buto t buto buto, t and don't think about the person or the things that make you angry. When you don't think about that person, you reciting the buto, then you will forget about that person or that thing. And when you forget, then your anger will disappear. But this is a, a temporarily uh, fix. Every time you think about that person or thing, you can still become angry again. If you want to fix it permanently, then you have to go to the cause of your anger. You have to eliminate the cause of your anger, and the cause of your anger is your own desire. Your desire to have something, and when you don't get that thing, you get angry. But if you have no desire to get anything or have no desire for people to do anything for you, Then you will not get angry with anybody. So try to get rid of your, your desire to have people to do things for you, like be nice to you. You want people to be nice to you. When they not, when they are not nice to you, you are, you are angry. Yeah. When you want them to do something for you and they don't do it for you, you get angry. Yeah. So if you don't want to get angry, don't expect anything from anybody or anything. Don't have any desire for people or things to be to to be what you want them to be to to be. Just accept them for what for what they are. Your desire makes you want something, and when you don't get that something, then you get angry or sad or disappointed. So if you still cannot let go of your desire. At least you should use buto t buto t to stop your anger. When you're angry, just keep reciting buto t buto buto. t Don't think about the thing or the person that makes you angry. Okay? r o g y q u e s t i any? questions. o e r p e w ask f t r t h e r e y who w a s k No u s i n s t s i n n g s i n g j s s i s s i s s i t i i k t a t อ๋อไม่มีปัญหาได้ยินก็ดีเราจะได้ไม่ต้องสวนอย่างก็การได้ยินเสียงต่างๆนี่มันก็เป็นเรื่องของใจเราที่มันไปรับรู้หรือ ม, มันมันมันผลิตขึ้นมาเองนั้นเราไม่ต้องไปสนใจมันให้เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปถ้าเรารู้สึกรำคาญกับเสียงเราก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไป เพราะว่าถ้าเราอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายมันจะทำให้เราเครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆมันเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธพุทโธถ้าเราอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวใจนิ่งเสียงมันก็จะหายไปทุกอย่างมันก็จะเงียบจะสงบใจเราไม่สงบมันทีมันก็หลอนมันหลอกเราอย่าไปสนใจให้รู้ว่ามันเป็นมายา เป็นการหลอกล้อนของใจเราไม่มีอะไรไม่มีจริงหรอกไม่มีผีมีเผออะไรมาหลอกหรอกใจเรานี่ชอบหลอกเราเองไม่เชื่อน้องไปอยู่คนเดียวเลยผีมาเยอะแยะเลยไปนั่งที่ไหนคนเดียวเนี่ยมาเยอะแยะเลยแต่ถ้าไปนั่งกันสีห้าคนไม่ไม่มาหรอกพอพอเราไปอยู่ที่ไหนคนเดียวรู้สึกมันวังเวงหน่อยนั้ยมันก็เริ่มหลอนเราเองหลอกเราเอง ผีจริงมีแต่ไม่ไม่หลอกผีจริงไม่มีเวลามาหลอกเราเพราะหลอกเรามันไม่ได้อะไรมันไปหาผีมันก็ต้องไปหาร่างกายไปหาความสุขของมันตามบุญตามกรรมของมันไปอย่างเราตายไปแล้วก็เป็นผีเราจะมีเวลามานั่งหลอกเพื่อนเราเหรอใช่ไหมเราไปหลอกตอนที่มันอยู่ด้วยกันหลายคนมันก็ไม่กลัวอยู่ดี <c oughs> ใช่ไหมก็ต้องไปรอจังหวะที่มันอยู่คนเดียวอย่างเสียเวลาเปลปาๆผีจริงมันไม่มารอยมาคอยมาหลอกเรา หลอกเไม่ได้อะไรไอ้ที่ที่หลอกแล้วเนี่ยผีปลอมคือผีใจเรานี่แหละใจเราเนี่ยชอบหลอกชอบร้อนเราเองโดยเฉพาะพวกคนที่ชอบทําบาปเยอะๆเนี่ยมันจะหลอกจะร้อนเราเพราะเวลาเราทําไปทำร้ายใครแล้วมันก็จะมีความหวาดวิตกว่าจะถูกเข้ามาทำร้ายเราไปอยู่ที่ไหนคนเดียวนี่มันจะหวาดเสียวแล้วใครจะมาทําอะไรเราเปล่าคนที่เราฆ่าแล้วมันจะมาทำร้ายเราหรือเปล่า ถ้าเราไม่ทําบาปแล้วไปอยู่ที่ไหนคนเดียวจะไม่ไม่มีอะไรหลอกไม่มีอะไรหลอนเราถ้าเราทําบุญจะมีแต่ของดีๆมาหาเราอย้าอย่าไปสนใจถ้ามันมาอย่าไปสนใจใช้พุโทโธพุธโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ทําใจให้สงบแล้วใจสบายแล้วจะไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่มาหลอกมาหลอนเราแต่อย่าไปอยากให้มันหายเพราะมันยิ่งอยากมันยิ่งเครียดเพราะมันไม่หาย ไม่เงาเนี่ยเราอยากให้มันไม่ตามเราได้ไหอถ้าอยากให้มันตามเราจะเครียดไหมกูมาตรงนี้มันก็มากูไปตรงนู้นมันก็มามันจะตามมาก็ให้มันตามมาอย่าไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปสนใจมันอาจารย์เจ้าค่ะเอย่างผีถ้าเขาต้องการมาเนี่ยค่ะก็สามารถมาได้ถ้าบางทีเขาเอ่อมีความผูกพันกับเราเอ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันแล้วตายไปใหม่ๆนี่บางทีอาจจะมาได้ หรือถ้าเราเป็นคนที่นั่งสมาธินี่เราก็จะสามารถติดต่อกับผีต่างๆได้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่รู้จักกับเขาอย่างในประวัติหลวงปู่มั่นนี่หลวงปู่มั่นท่านเคยเล่าว่าท่านไปนั่งสมาธิใกล้เจดีแห่งหนึ่งแล้วพอท่านใจสงบก็มีพี่น้องสองค น, นงเป็นผู้หญิงม า, มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวเจดีหลวงปู่ก็ถามว่ามาทำอะไรแถวนี้ เขาบอกว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาร่วมสร้างเจดีย์นี่เขาตายไปก่อนที่เจดีย์จะเสร็จเขายังหวงเจดีย์อยู่เขาก็เลยมาภาพาดูว่าเสร็จหรือยังอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ต้องคุยกันต้องพูดกันรู้เรื่องไม่ใช่เห็นอะไรว่าแวบแหววๆก็เป็นผีมาแล้นี่ไม่ใช่อันนั้นส่วนใหญ่ใจเราหลอนหลอกไปเองคิดไปเอง ถ้าเป็นผีจริงนี่ต้างคุยกันได้คุยกันแล้วก็พิสูจน์ได้อย่างแม่ชีคนหนึ่งนี่ท่านนั่งสมาธิแล้วท่านติดต่อคนตายได้คืนที่หลวงปูม่ม่นตายหลวงปูม่ม่นก็มาบอกแม่ชีบอกเราตายแล้วน ะ, อ, ะอันนั้นลหละเข า, าเห็นผีจริงแต่ผีจริงไม่หลอกหรอกอไอ้ผีหลอกมันไม่ใช่ผีจริงความกลัวของเรามันหลอกเราเอง พอเราไปทำอะไรไม่ดีนี่พอเราไปอยู่คนเดียวได้ยินเสียงได้เห็นอะไรนิดวับแวบห ว, ว, วมแหวมก็คิดว่าเป็นผีก็มาหลอกเรานะ้วอน่อาจเป็นไปได้อาจจะมีพี่น้องตกทุกข์กได้ยากเข้ามาเข้าฝันแล้วบอกขอให้ช่วยเหลือทำบุญส่งให้เขาไป เ, าเป็นไปได้ไไดหรเราอาจจะฝันไปถึงเขาก็ได้มันก็ได้เป็นทั้งสองอย่างแต่เมื่อเราฝันแล้ว เราไม่แน่ใจว่าเป็นไปหรือไม่เป็นเราก็ส่งบุญไปก็แล้วกันทำไปเผื่อเขามารอจริงๆเขาก็จะได้รับถ้าก็ไม่ได้รอก็ให้คนอื่นไปให้ผีตัวอื่นไปเราสามารถกําหนดได้เหมือนเราเขียนเช็คเนี่ยให้ในายกรนายขอละหรือก็ว่าไปถ้านายกรไม่อยู่ก็ให้ในายขอนายขอไม่อยู่ก็ให้ในายจอไปอะไร แล้วก็อุทิศไปว่าขอทิศให้คนนั้นคนนี้ถ้าเขาไม่รับก็ให้คนนั้นต่อถ้าไม่ให้ถ้าเขาไม่มีมารับก็ให้สรบปรสัตร์ไปก็ได้ <Okay. S 1> ใครมาก่อนใครอยู่ใกล้ก็เอาไปเลย <Okay. S 1> เพราะมีดวงวิญ ญ, ญาณที่มีญาติพี่น้องที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปกันจะไม่เวลาตายก็จะไม่มีการทำบุญส่งไปให้้ <Okay. S 1> ถ้าเขาต้องการบุญก็ไม่มีใครจะให้เขาก็ <Okay. S 1> เต้องมาเป็นขอทาน มาอยู่แถววัดแถวอะไรเนี่ยแถวนี้อาจจะมีกําลังรออยู่ก็ได้เดี๋ยวก็อยากจะอุทิศบุญที่เราทําวันนี้เราก็อุทิศไปได้ ถ, ถ้าเขารอรับเขาว่า<อ>ก็ก็รับได้ได้เราต้องอุทิศเราเป็นเจ้าของบุญบแล้วถ้าเขาไปได้สูงสูงอย่างนี้ก็ไม่จาเป็นถ้าเขาสูงก็แสดงว่าเขามีบุญมากเเขาไม่ก็ไม่มารอรับเหมือนเข้าไปเป็นเศรษฐี เศรษฐีบุญถ้าเขาเป็นขอทานบุญเขาก็ต้องมารอแล้วเพราะในชาติตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ทำบุญเขาไม่เชื่อบุญพอตายไปเขาก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปพวกที่เชื่อบุญทำบุญกันทุกวันอย่างพวกเรานี้ตายไปก็เป็นเป็นเศรษฐีบุญเหมนะือนไม่ต้องมารอรับบุญจากใครที่ฝันว่าออชอบเอาไปแล้วก็ไปแผนไอ้ตาในฝันจำเรืงเราได้ค่ะแล้วก็ ฝันอู่บ่อยที่เกี่ยวกับดวงวิญญาณคนตายบ้างะคะ่ะจากพอตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นก็รู้สึกกลัวจะต้องใช้วิธีแก้ไขอะไรนะคะอาจารย์ก็ใช่ว่ามันมันผ่านไปได้ไปกลัวหาอะไร ม, มันทําอะไรเราได้มันถ้ามันทําเราตอนนี้เราตายไปแล้วใช้ปัญญาคิดสิไปกลัวอะไรไม่มีเหตุมีผลกลัวแบบไม่มีเหตุมีผลก็ต้องใช้มีเหตุผลม า, มาลบล้างมันสิ ถ้ามันจะฆ่าเราเราตายไปนานแล้วเ mm. มื่อไม่ฆ่าเราเราไปกลัวมันทําไมอไม่อยากฝันแบบนี้อีกค่ะความไม่อยากนี่ทำให้เราทุกข์ไง mm. เราห้ามไม่ได้มันอยากจะฝันเราห้ามมันไม่ได้ mm. ฝันก็ปล่อยมันฝันไปเลยถ้าไม่อยากจะฝันก็หัดพุดโทโธ บ, บ่อยๆก็ทําจิตให้สงบแล้วต่อไปมันก็จะไม่ฝันฝ mm. ึกสมาธิเยอะๆแล้วจะไม่ค่อยฝันก็แหะ จิตสงบแล้วมันก็จะไม่ฝันถ้ามันความฝันมันเกิดจากความใจไม่สงบตรงนี้เองอยังถ้าไม่อยากจะฝันก็พยายามทำสมาธิบ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องน้ํายอะแยไม่ต้อ ง, องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาแล้วจะเรียกจะให้ส่งซิกแนลให้เมืวันไม่มีคนถวายก็เอานี่วันนี้มีก็เลยไม่ต้องอาจารย์ครับการที่เราไม่อยากให้มีความแก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้น ถึงเวลาที่ความแก่ความเจ็บความตายมาเยือนเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากความแก่ความเจ็บความตายมาเป็นเพื่อนของเราถึงเวลาความแก่ความเจ็บความตายมาเยือนเราก็ไม่ทุกข์เหมือนกับมีเพื่อนมาหาเราเได้ไหมครับก็เมื่อกี้ก็เทศอย่างนี้ไม่ใช่ไหมที่ผมฟั ง, างาจากพระอาจารย์ถูกต้งกอตงถ้าเราอยากได้แล้วเราเราได้แล้วก็จะดีใจใช่ไหมถ้าเราไม่อยากได้เราได้แล้วก็เราก็จะเสียใจฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนใจเราให้ยินดีกับสิ่งที่เราจะต้องได้ครับออ ที่ว่าเขาเป็นเพื่อนเราก็แล้วกันเขาจะต้องมาเยี่ยมมาหาเรารแล้วก็เตรียมตัวต้อนรับเขาอาจารย์ครับคนที่ทุกข์มากลําบากมากๆ า, ากๆนะครับเ ก, ก, กิ ด, าากดาจากอะไรครับทุกข์มากมากก็กิดบากมากมากเนีย่ยเกิดจากอะไรก็กรรมเก่าเนี่ยทำบาปมาเยอะก็เลยต้องกลับมาใช้บาปนอกจากไปใช้ในนรกในอบายแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ด้อยวาสนา ทุกยากดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนาน า, นาไม่เหมือนกับคนที่ทําบุญแล้วลงมาจากสวรรค์นี่จะมีส้มหล่นอยู่เรื่อยๆมีนั้ น, นมานี่มาอยู่เรื่อยๆเพการที่เราไปช่วยเหลือแ้ทําเขาเนี่ยมันไปเป็นการแบ่งาบาปของเขาด้วยไหมครับหมายว่าบางคนบอกว่าไปช่วยเขาแล้วก็จะ ก, การรมอะไรเนียเขาจะมาตามคนที่ช่วยเขาอ่ะช่วยได้ก็ไม่เห็นจะช่วยได้ก็ดีสิเช่นพระพุทธเจ้าช่วยองคคุลิมาเนี่ยไหม องค์คุลิมานจะไปตกนรกพระพุทธเจ้าก็เบรกเสียบอกว่ากําลังไปผิดทางทางไปสวรรค์ไม่ใช่ไปทางนี้อพอองค์คุลิมานเข้าใจก็หยุดฆ่าคนครับมาบวชแทนม า, มาเป็นผ้าอหารหันแทนมามาตัดกิเลสความโลภต่างๆไปอยากจะฆ่าคนเพราะคิดว่าฆ่าแล้วจะได้บรรลุไงเพราะถูกเขาหลอกว่าถ้าอยากจะบรรลุต้องฆ่าคนหนึ่งพันคนนี่ก็เลยไปฆ่า แต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าคนสุดท้ายข่าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้ามีฤทธ์พยายามวิ่งไล่าตามเท่าไหร่ก็ไล่ไม่ทันก็เลยตะโกนบอกว่าท่านทําไมไม่หยุดผมวิ่งตามท่านแทบเป็นแทบตายพระพุทธเจ้าบอกเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดองค์ก็เลยมาก็ผมวิ่งแทบเป็นแทบตายเอแล้วท่านถ้าท่านหยุดผมก็ต้องตามท่านทันสิ ท่านอยู่แต่อะไรพระพุทธเจ้าบอกเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงพอพูดยี้งองคุลิมันก็เข้าใจว่าอ๋อเราต้องมาฆ่าตัวนี้ฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงแล้วเราก็จะได้สบายเราจะได้มีความสุขเราจะได้บรรลุก็เลยขอเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วก็มาศึกษาวิธีฆ่าความโลภความโกรธความหลงตอนนั้นที่สุดก็ฆ่ามันตายหมด พอได้เป็นพระแลหันก็ไม่ต้องไปเกิดอีกพอไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องไปใช้กรรมที่ได้ทําไว้ถึงแม้ค่าคนมาแล้วต้องเก้าร้ยเก้าสิบเก้าคนก็ไม่ต้องไปใช้กรรมเพราะไม่ได้มาเกิดไม่ต้องไปเกิดในภพไหนต่อไปงั้นการไปช่วยเหลือคนอื่นให้อกอบพ้นทุกข์นี่ทําไมทําไมจะทําไม่ได้ทําได้อยู่ที่ว่าเขาจะยินดีให้เราช่วยหรือเปล่าบางทีบอกให้เลิกกินเหล้าไม่ยอมเลิอกอย่างนี้จะทํายังไง ก็ช่วยแล้วบอกแล้วแต่เมื่อเขาไม่ไม่เลิกก็ช่วยไม่ได้มันมันเหมือนมันมีความเชื่อว่าการไปช่วยเขาแล้วก็เหมือนเจ้ากรรมในเวที่กำลังทำร้ายเขาอยู่จะมาทำร้ายคนที่ไปช่วยแทนอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่เกี่ยวหรอไม่ใช่ใช่ไหมครับเกี่ยวเจ้ากรรมในเวทเขาก็ยังไปตามจองกรรมอยู่ก่อนจำได้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีอะไรอย่างเงี้อนนี้กำลังแก้เราไปช่วยเขารอดขึ้นมาเงี้ยเจ้ากรรมในเวทจะมาทำร้ายเราไม่เกี่ยวใช่ไหมครับคือช่วยเขาวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปหยุดเจ้ากรรมในเวทไม่ให้มาทำร้ายเขา พรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่ครับเหมือนพระโมกขลานะเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ท่านมีอิทธิฤทธิ์ท่านก็มีเจ้ากรรมนายเวรจะมาตามฆ่าท่านถ้าท่านใช้อิทธิฤทธิ์ท่านบอ ก, ท, บอกท่านก็หนีได้แต่ท่านบอกว่าหนีไปวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่เพราะตราบใดที่เขายังไม่ได้ต้องสิ่งที่เขาต้องการจากเราเขาก็ยังจะตามมาอยู่ดีเอ็นพระโมกขลาก็บอกว่าไม่หนีดีกว่ายอมตาย พอท่านหลุดพ้นแล้วใจท่านไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายแล้วก็ปล่อยให้เขาฆ่าไปพอฆ่าแล้วก็หมดเวรหมดกรรมกันไปถ้ายังไม่ฆ่าเขายังไม่ได้ฆ่าก็ยังตามมาอยู่เหมือนคุณตามนี่คนเนี่ยถ้าวันนี้ตามแล้วยังไม่ได้คุณผู้นี้ก็ต้องตามต่อใช่ไหมคนไม่ไม่ใช่ไม่หยุดตามนะใช่ไหมแจะอยู่ตามต่อเมื่อเขาจ่ายนี่คุณแล้วฉนั้นเจ้ากรรมในเวรกันในเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ก็ยัง ยังไม่ได้สิ่งที่ก็ต้องการจากเร า, เาก็อย่าตามมาอยู่ด้ว่อยๆไม่ว่าใครจะมาช่วยเราอย่างไรก็เพียงแต่ผัดวันไปท่านเองสิ่งๆที่เราควรจะแนะนํา ม, มาถ้าสมมตินในกรณีที่เาเจอรัศดรปัญญก็ใช้นี่เซเป็นนี่เขาก็ใช้นี่เข้าไปไม่เหมือนว่าเราจเจอคนที่ลำบากที่ตกทุกข์ยากมากๆอย่างนี้วิธีการที่เราจะแนะนำ ม, มาให้เขาอะไรอย่างนี้ก็ให้เขาทําใจบอกว่าอจากทํากรรมอันใดว่าดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เรากำลังรับผลของกรรมที่เราทํามากันนีู่และคนอื่นรับแทนเราไม่ได้แต่คนหนึ่งอาจะช่วยบรรเทาได้แต่บรรเทาก็เป็นการผัดผัดระยะเวลาไปเท่านั้นเองในนี้สุนมันต้องมันต้องใช้กรรมของมันอะ่ะถึงจะหมดงนั้นวิธีที่ดีสุดก็ช่วยเขาแบบว่าอย่าไปทํากรรมใหม่ก็แล้วกันกรรมเก่าที่ทําแล้วก็ใช้ไปเถิดเหมือนหนี้เก่าอ่ะ มีหนี้แล้วก็ใช้หนี้ไปแต่อย่าไปสร้างหนี้ใหม่จะได้ไม่ต้องมีหนี้ใหม่มาให้ต้องมาใช้อีกเอาเงินเอาเงินไปฝากธนาคารดีกว่าจะได้มีดอกกินด้วยมีเงินรอเราอยู่ข้างหน้าอย่าใช้เงินหมดแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาเป็นหนี้ใหม่ยังไงยังไม่อยากกลับไปกหร <c oughs> ดูคำถามทางบ้านนะตอนนี้เมื่อกี้มีคนเข้ามากี่ร้อย่ะประมาณสามร้อยกว่าครับสามร้อยกว่าทั่วโลกเลยนะมีมาจากทั่วโลกเลยนะครับคำถามจากทางบ้านนะครับต่อไปเป็นคำถามจากผู้ชม Facebook Live นะครับคำถามจากคุณกาญจนานะครับ อยากจะทราบว่าหลังจากที่เราตายแล้วจิตเราจะไปหาที่เกาะทันทีไหมคะหรือว่าไปเกิดใหม่ทันทีใช่ไหมคะแล้วอย่างที่บอกเนี่ยมันอยู่ที่บุญที่บาปเราทําไว้ว่ามากหรือน้อยถ้าบุญบาปมากก็ไปใช้บุญใช้บาปนานหน่อยถ้าบุญบาปน้อยบาทีอาจจะกลับมาเกิดไม่กี่วันก็ได้บางคนนี่กลับมาจําจําได้ว่าเมื่อเมื่อก่อนชาติก่อนอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหน แสดงว่าเขาไม่ได้ทำบุญมากไม่ได้ทำบาปมากเขาก็เลยกลับมาเกิดเร็วแต่มันไม่แน่มันอยู่ที่บุญที่บาปเราทำถ้าทำบุญทําบาปมากมันก็ต้องไปรับผลบุญ ผ, ผลบาปก่อนคาถามข้อต่อไปจากคุณทัศเดชนะครับผมเริ่มภาวนามาปีกว่าแล้วช่วงหลังมามีความรู้สึกว่ามีความเฉยเฉยกับทุกเรื่อง มีความกำหนัดและความโกรธลดลงไปมากเลยแต่เวลานั่งภาวนาช่วงหลังมันนั่งได้ไม่นานและไม่มีความสงบเลยอยากเรียนถามว่าผมภาวนามาถูกทางไหมครับถูกทางแต่ว่าช่วงหลังนี่สติคงจะเสื่อมคงจะไม่คอยไม่คอยสร้างสติอยู่พอนั่งมันเลยนั่งไม่สงบงั้นพยายามสร้างสติขึ้นมาก่อนที่เราจะมานั่ง อย่ากขี้เกียจในเรื่องการสร้างสตินี่ต้องขยันทําให้มันเป็นนิสัยไปเลยถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องมีระดับของสติที่ไม่ไม่ไม่หย่อนยานนี่เวลานั่งสมาธิมันจะสงบแล้วก็จะนั่งได้นานแต่ถ้าเราขี้เกียจพุทโธพุทโธีิเกียรสร้างสติเหมือนเติมน้ํามันรถเนี่ยถ้าเราเติมน้ํามันรถอยู่เรื่อยมันก็จะวิ่งไปได้ไกลถ้าเราขี้เกียจเติมน้ํามันเดี๋ยววิ่งไป ไ, ปไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่นานน้ามันก็หมดมันก็ไปไม่ถึงไหน ยังต้องพยายามมั่นสร้างสติให้เป็นนิสัยใช้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้ใช้การดูเฝ้าดูร่างกายไปก็ได้ร่างกายทำอะไรก็จดจอ่อดูการกระทำของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้เฝ้าดูการทำงานของร่างกายไปก็ถือว่ามีสติคืออย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าปล่อยให้ใจไปคิดอดีตอนาคตให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบัน ใช้พุทโธเดินเข้ามาก็ได้ใช้การเฝ้าดูการทํางานของร่างกายก็ได้กําลังแปลงฟันก็ให้ดูที่แปลงฟันอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นกําลังล่างหน้าก็อยู่กับการล่างหน้าอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าการสร้างสติแล้วพอเวลานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งอยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมมันก็จะไม่ไปไหนอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธแล้วมันก็จะนิ่งเราก็จะนั่งได้นานจะสงบยันต้องพยายามสร้างสติ ต่อไปพอเราสร้างบ่อยๆมันจะเป็นอัตโนอัตโนมัติไปที่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเนี่พอเราสร้างบ่อยๆแล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเราเลยมันจะเป็นนิสัยเราจะมีสติคอยคอยระมัดระวังคอยดูคอยอะไรอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาจะไม่เผลอไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นนมัพยายามสร้างไปไเรื่อยๆแล้วสติตัวนี้เราเอาติดตัวไปได้ ไปเกิดชาติหน้าแล้วก็ทําต่อได้เลยไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ศูนย์ในคนบางคนมาเกิดชาตินี้นั่งสมาธิได้ปั๊บเลยนั่งห้านาทีก็สงบเลยเพราะชาติก่อนเขาสร้างสติไว้มากเราก็มาลองนั่งปับเขาก็สงบเลยคุณได้ชีแจ๊วนี้นั่งห้านาทีก็สงบเพราฝึกสติมามากในในชาติก่อนๆงั้นการสร้างสตินี้เป็นของที่มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ ไม่มีโทษล้วเป็นสมบัติที่เราเอาติดตัวไปได้ล้วเป็นกุญแจดอกสำคัญในการที่จะไปสู่พระนิพพานถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็จเจริญปัญญาไม่ได้ไม่มีปัญญาก็ท่ากิเลสไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้ทุกอย่างเกิดจากการมีสติก่อนสตินี่เหมือนกุญแจรถยนต์เนี่ย ถ้าไม่มีกุญแจรถยนต์ก็ไปไหนไม่ได้แล้วฮะต้องมีกุญแจรถยนต์เปิดประตูก็ไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็สามารถขับไปไหนมาไหนได้สตินี้ก็เหมือนกันถ้ามีสติแล้วนั่งสมาธิก็สงบสงบก็มีความสุขก็จะตัดกิเลสได้ถ้าเห็นว่าการทำตามกิเลสเป็นโทษก็ทำแล้วทุกข์ก็ทำไปทําไมอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันทุกข์อยากไปทําไมสู้อยากไปอยากไม่ดีกว่า ถ้ามีสมาธิมันก็หยุดความอยากได้ถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะรู้ว่าเป็นทุกข์ก็หยุดไม่ได้อย่างตอนล้วตอนนี้พวกเรารู้ว่าเนี่ยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นทุกข์จะหยุดมันได้ปะแต่ลองไปนั่งสมาธิดูเลยถ้านั่งสมาธิได้จิตสงบแล้วพอรู้ว่าอยากแบบนี้เป็นโทษเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากเหมืนคนที่จะเลิกบุหรี่เลิกสุราก็แบบเดียวกันเนี่ยถ้านั่งสมาธิได้เลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้ ถ้ารู้ว่าดืม่มชุวร์แล้วแล้วเป็นทุกข์กดื่มไปทําไมใช่ไหมดื่มแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยต่อไปเนี่ยกระเพาะลาไส้ตับไตนคนที่ดืม่มชัวรานี่เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิดด้วยกันเนแต่ที่ดื่มไปก็เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นโทษการรู้ว่ามันเป็นโทษเรียกว่าปัญญารู้ว่าเป็นโทษแล้วแต่ยังหยุดไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิ ก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้ถ้านั่งสมาธิไม่ได้แสดงว่าไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนพอสร้างสติแล้วเวลานั่งใจจะนิ่งจะสงบพอสงบแล้วพอรู้ว่าดื่มสุราเป็นโทษก็เลิกดื่มได้เลิกได้หมดเนี่ยติดยาเสพติดขนาดไหนถ้ามีสมาธิมีปัญญาเลิกได้หมดติดร่างกายก็เลิกได้พวกเราก็ติดร่างกายกันเหมือนติดยาเสพติด่ ใช่ไหมร่างกายนี้ก็เป็นวิญญาเสพติดของพวกเราเสพกันทุกวันแต่สักวันหนึ่งมันจะไม่มีให้เสพมันจึงเดือดร้อนกันแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะเลิกได้ไม่เสพไม่ต้องเสพร่างกายเรามีความสุขในสมาธิเราเสพความสุขดีกว่าเราเสพความสุขจากสมาธิดีกว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด จะอยู่กับเราไปตลอดเราไปกับเราร่างกายนี้ตายไปเราก็เอาความสงบนี้ไปกับเราได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่มาจิบมาตายใหม่การเจริญสติยังมีคุณมีประโยชน์มหาศาลขอให้พวกเราพยายามทำกันเนี่ยมีคุณค่ามกากกว่าทองคำเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยตันพันตันส่วมเอาสติตัวเดียวดีกว่า มีทองคำเป็นร้อยตันพันตันก็ดับความทุกข์เราไม่ได้ดับการอยากดื่มชูลาไม่ได้ดับการอยากสูบบุหรี่ไม่ได้แต่มีสติแล้วหยุดได้มีสติแล้วใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากต่างๆนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแล้วเราก็จะเลิกทุกอย่างได้หมด พยายามลองดูง้าจะตายคาว่าพุโทโธคําเดียวมันยากเด็กมันยังพูดได้เลยเนะหลวงปู่มั่นสอนชาวเขาให้พุโทโธหลวงปู่มั่นท่านเดินจงกรมอยู่ในป่าชาวเขาก็อบมาดูว่าเฮ้ยท่านกําลังทําอะไรเห็นท่านเดินไปเดินมากลับไปกลับมาก็เราไปถามว่าหลวงปู่ทําอะไรหลวงปู่หาพุโทโธอยู่เว้ยพวกผมช่วยได้ไหมได้ทํายังไงล่ะก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปเลย เขาก็เลยได้สติได้ฝึกสติไปช่วยหลวงปู่อันที่จริงหลวงปู่กับช่วยเขาครูบาอาจารย์ต้องมีอุบายเหมื อ, ม อ, อนเราสอนเด็กบางทีเราต้องมีอุบายสอนใช่ไหบางทีบางครั้มันไม่ยอมทําแต่ถ้าหลอกไปว่าทำแล้วดีมันก็จะทํา ห, หรือทําให้แม่มันก็อยากจะทําอย่างลูกเนี่ยถ้าบอกว่ามาม า, มาวัดมากับแม่เนี่ยก็จะมาแต่ถ้าจะให้มาเองมันไม่มาหรอก <c oughs> ใช่ไหมก็ฝาแม่มาก็ แม่ก็ใช้อุบายนี้หลอกให้ลูกมาวัดเลม่ใ <laughs> ช่ครับท่านนี้กงการสวดมนต์และการที่ทำบุญที่วัดเนี่ยแตกตา่างกันครับการสวดมนต์ก็คือการทําใจให้สงบไงนั่งสมาธิมันก็ทําที่ไหนก็ทําได้ทําที่วัดก็ได้ทําที่บ้านก็ได้แต่ต้องเป็นที่ที่สงบมันถึงจะได้ผลส่วนการทําบุญนี่คือเอาท้าวของมาให้ก็ต้องมาที่วัดหรือไปที่โรงพยาบาลที่โรงเรียนก็ได้อันนี้เป็นบุญอีกแบบหนึ่ง คนระแบบกันเป็นอาหารคนละชนิดนั่งสมาธิเป็นเหมือนไก่ย่างเอแล้วก็การทําบุญเหมือนกับข้าวผัดนี้มันคนละอย่างกันถ้าอยากกินข้าวผัดก็ต้องไปหาข้าวผัดมากินถ้าอยากจะกินไก่ย่างก็ต้องไปหาไก่ย่างนี่ก็เป็นการสร้างบุญทั้งสองอย่างแต่คนละระดับกันเนี่ยบุญต่างยังไงครับมันม า, มากกว่ากันมากน้อยต่างกันไห ม, มากกว่าไหนนั่งสมาธินี่มากกว่า ทำบุญทำทานนี่เรามาทำอันนี้แล้วเราไปนั่งสมาธินี่เราจะได้ความสุขต่างกันความสุขจากการทำบุญทาทานก็เหมือนแบ่งแบ่งยี่สิบแบงร้อยอย่างเงี้ยการนั่งสมาธินี่เหมือนแบ่งห้าร้อยแล้วการเจริญปัญญานี่เหมือนแบ่งพันแต่เราก็ต้องก้าวจากจากน้อยไปหามากก่อนเราต้องทำบุญทาทาน ให้ได้ก่อนเราถึงจะรักษาศีลได้เรารักษาศีลได้เราถึงจะมานั่งสมาธิได้เหมือนเรียนหนังสือเราต้องเข้าชั้นอนุบาลก่อนแล้วค่อยไปสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมตามลำดำับเพราะการกระทําสิ่งเหล่านี้มันมันยากง่ายต่างกันเลยแล้วมันสนับสนุนกันทําทานทําบุญทําทานแล้วใจเราจะมีความเมตตาเราก็จะรักษาศีลได้ถ้าเราไม่ทมําบุญทําทานเราอยากจะทําเพื่อตัวเราบางทีเราก็ ไม่อยากจะรักษาศีลอยากจะได้อะไรเร็วๆก็ต้องทําบาปบ้างมุนถึงจะได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราทําบุญทําทานช่วยเหลือคนอื่นอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่อยากไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็จะรักษาศีลได้พอรักษาศีลได้ใจเราก็จะนิ่งจะเย็ยนพอที่จะทําให้เรานั่งสมาธิได้เนีมันต้องทําตามขั้นขึ้นไป ไม่งั้นเวลาไปนั่งสมาธิใจก็ไม่สงบเพราะใจยังอยากหาเงินไงใจยังอยากจะไปไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้นอยู่แล้วไปเบียดเบียนค่ะแล้วใจก็จะกังวลวิตกเวลานั่งก็จะฟุง้งซ่านดันั้นมันต้องค่อยๆขึ้นไปทีละดับคําถามข้อต่อไปจากคุณแบมนะครับเวลาที่นั่งสมาธิฐานของจิตส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ปลายจมูก แต่จะอยู่ที่มือที่ประสานกันที่หน้าตักอย่างนี้จิตรวมผิดไหมครับจิตไม่ได้อยู่ที่ลมจิตมาอยู่ที่มือเลยใช่ไหมใช่ครับมาอยู่ที่มือที่ประสานไม่อยู่ที่หน้าหน้าครับอ่าก็แล้วผลเป็นยังไงอ่าผลคือไม่ได้บอกมาครับแต่ว่าจิตคือว่ามารวมอยู่ที่มือแทนที่จะอยู่ที่หน้าผากครับอาจารย์อ่าเกิดเกิการนั่งนี่เพื่อมีอะไรไว้เป็นที่ ดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่ที่มือแล้วไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วใจสงบก็ใช้ได้อยู่ที่จมูกก็ได้อยู่ที่ลมหายใจก็ได้อยู่ที่พุทโธก็ได้คือให้มันมีอะไรไว้หยุดความคิดอย่าให้มันคิดเพราะถ้าคิดแล้วมันจะไม่สงบเราต้องการให้มันสงบให้มันนิ่งเพราะความนิ่งสงบของใจนี้เป็นพลังจะทําให้เราไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆ เวลาเจอใครด่าล้วก็จะเฉยได้เวลาใครทำร้ายเราเราก็จะเฉยได้เจ็บกายแต่ไม่เจ็บใจแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิมันจะเจ็บทั้งสองส่วนทันทีเจ็บกายแล้วก็เจ็บใจใครด่าก็เจ็บเจ็บทั้งเสียงเจ็บทั้งใจดองนั้ต้องพยายามทำใจให้นิ่งให้สงบนี่จะทำด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ แต่วิธีนี้ไม่เคยไม่เคยทํามาเลยไม่กล้า ร, รับประกันว่าเวลานั่งดูที่มือแล้วจะสงบแล้วไม่สงบแต่ถ้าดูที่ลมเนี่ยสงบเรารับประกันได้อยู่ที่พุทโธแล้วสงบได้แต่นั่งดูที่มือแล้วมันไม่รู้จะสงบหรือไม่ก็ต้องทดลองเอาพิสูจน์เอาเองมีอไหมยมีครับคําถามข้อต่อไปจากคุณพรวิทยานะครับญาติท่านหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตไม่เชื่อเรื่องความตายแล้วเกิดใหม่เพราะเขาเคยกล่าวว่า ตายแล้วศูนย์ถ้าเช่นนั้นทำบุญอุทิศให้เขาและเขาจะได้รับอุกุส น, นี้ไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเขามามารอรับส่วนบุญหรือไม่ถ้าเขาไม่มีบุญแล้วเขาคิดถึงเราเขาคิดว่าเราเชื่อบุญแล้วเราจะทำบุญให้เขาเขาก็จะมารอรับอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขารอรับหรือเปล่าเราก็ทำไปเผื่อไว้ก็ได้ถ้าเราห่วงเขาเราอยากจะให้เขาไม่เดือดร้อน อยากจะให้เขาสบายก็ทําบุญอุทิศไปให้เขาส่วนเขาจะรับไม่รับก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าไม่มีใครรับบุญที่อุทิศนี้มันก็เป็นบุญส่วนส่วนย่อยคือเวลาเราอุทิศบุญนี่เราไม่ได้อุทิศทั้งหมดที่เราทำเราอุทิศได้เฉพาะส่วนที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนกับในหน้าค่าในหน้าอย่างเงี้ยเวลาซื้อที่ดินนี่มันจะมีค่าในหน้ากันใช่เวลาเราทบุญเนี่ยเวลาเราอุทิศบุญนี่ก็เหมือนอุทิศค่าในหน้าไป แต่ตัวตัวตัวบุญตัวที่ตัวของที่เราทำนี่เป็นของเราตัวบุญส่วนใหญ่เป็นของเราเพราะผู้ที่อยู่ในฐานะที่มารอรับบุญนี่เป็นเหมือนขอทานเขาไม่สามารถที่จะรับได้มากๆเหมือนเราเวลาให้เงินขอทานเราจะไม่ให้เขามากมากเราจะให้พอให้เขาประทังชีพไปวันวันหนึ่งกันก็ไม่ต้องกังวล ก็ให้ไปแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เขาไม่ไม่ถ้าเขาไม่รับก็ให้สรรับประสาทไปให้ตัวอื่นไปดวงวิ ญ, ญญาณอื่นที่รอรับอยู่ก็ให้เขารับไปอ๋อแม้ว่าก่อนตายเขาไม่มีความเชื่อว่าตายแล้วเกิดแต่เออชื่อว่าตายแล้วสูญก็ยังสามารถรับได้อยู่ดีเชื่อ<ต>ไม่เ ช, <ร>ชื่อเวลามันไม่มีบุญมันหิวอะ่ะบุญมันเหมือนอาหารของของใจอะ่ะพอเวลามันไม่มีวิธีหาหาอาหารด้วยร่างกายมันก็ต้องหาหาหาบุญเท่านั้น แต่มันไม่มีบุญมันก็ต้องแยคอยขอข อ, ขอบุญจากผู้อื่นคำถามข้อต่อไปจะคุณสิริปยานะครับนั่งสมาธิตามดูลมหายใจถ้าเราอยากนั่งตอนไหนก็ทําได้เลยใช่ไหมคะแล้วทุกครั้งก่อนนั่งหรือเดินจงกรมต้องท่องอะไรนําก่อนหรือไม่คะแล้วแต่เราถ้าเราคิดว่าท่องแล้วทําให้ใจเราสงบง่ายขึ้นก็ท่องไป ถ้าเราคิดว่าเรานั่งปุ๊บเราสงบได้เลยก็ไม่ต้องท่องก็ไดค้คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณส ะ, สะ อ, อนะครับหนูนั่งสมาธิโดยกำหนดลมหายใจนั่งไปได้เกือบเกือบชั่วโมงจิตมันนิ่งมาสงบแต่จิตมันนิ่งสงบ แต่พอถึงเวลานี้จิตมันถอนออกมาแล้วรู้สึกปวดขาและตัวเองมาข้างหลังแต่ตอนอยู่ในสมาธิไม่ปวดคะ่ะหนูต้องทําอย่างไรต่อไปคะเพื่อให้การปฏิบัติดําเนินต่อไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเรื่องของร่างกายก็เรื่องของร่างกายเวลาที่ใจเราสงบเราไม่ไปรักรู้เรา ไ, ไม่ไปนสนใจกับเรื่องของร่างกายเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไร แต่พอเราออกจากสมาธิมาเราก็มารับรู้เรื่องของร่างกายร่างกายมันก็มีอาการปวดอะไรของมันมันก็เราก็รับรู้ไปก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันปวดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนนิยาบน่นเดี๋ยวสักพักมันก็หายปวดคำถามข้อต่อไปจากคุณก้อยนะครับข้อจํากัดของการรักษาศีลแต่ละข้อมีอะไรบ้างคะเพื่อที่ว่าเวลาเรารักษาศีลแล้วจะไม่ทําให้ผิดศีล ก็ต้องทําตามที่ศีลบอกให้เราทำเลยไม่ให้ฆ่าสัตว์ก็อย่าไปฆ่าสัตว์มันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ให้ไปรักทรัพย์ไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นก็อย่าไปเอาของอันนั้นที่ไม่ใช่เป็นของเราอย่าไปหยิบอย่าไปแตะถ้าอยากจะได้ขอเขาก่อนอการประพฤติผิดประเวณีก็คือให้เป็นคนที่มีสามีเดียวภรรยาเดียวรักเดียวใจเดียวให้ซื่อสัตย์ต่ อ, อกัน ถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็แสดงว่าไม่ใช่มันก็ผิดศีลแล้วถ้าไปแอบมีแฟนที่ไหนหลังจากมีแฟนมีภรรยามีสามีแล้วยังอาจไปมีแฟนอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าประพฤติผิดตัวณีแล้วก็ไม่ให้พูดปลดก็ก็ให้พูดความจริงไงห้ามพูดปลดอย่าโกหกถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็หุบ ป, ปากเฉยๆไม่ต้องพูดอะไร แล้วบอกพูดไม่ได้ครับเอข้อนี้ผมตอบไม่ได้ก็ไม่ได้พูดปดแล้วถ้าพูดไม่หมดครับอาจารย์ถือว่าปวดไหมครับไม่ต้องไม่ไม่ปวดเนี่ยใครยังมาพูดไม่ให้หมดได้ทุกอย่างนะบางทีของมันเยอะใช่ไหมอ่มันก็อยู่ที่คนถามถามแบบไหนเออถ้าก็ถามถ้าก็ถามบอกว่าให้พูดทุกอย่างแล้วก็บอกว่าผมจาผมจําไม่ได้ทุกอย่างะ ผมก็พูดได้เท่าที่ผมจําได้อม่ค้าขายปลาครับค่าปลาทุกวันเพื่อเป็นอาชีพนะฮะบาปนีมครับบาปก็ค้าไงค่าเองหรือให้คนอื่นกขาค้าก็บาปสั่งให้คนอื่นกขาค้าแทนเราแล้วก็คนที่ไปซื้อไปสั่งไว้ล่วงหน้าก็บาปเช่นเรามีร้านขายอาหารแล้วเราต้องการปลาสดแล้วก็ไปสั่งมาพวกนี้เอาปลาสิบตัวเรียบร้อยไหมอ่าเขาเรียกว่าจ้างวัน คือกำลังเป็นอยู่อาตัวนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันอสั่งเขาฆ่าก็ดีทำเองก็ดีก็บาปเท่ากันแล้วเขาเขาเาเลือกเรื่องอาชีพคืออาชีพคาป่าเป็นอาชีพของเขาครับอาจารย์ก็เขาเลือกเองไงใช่หมถูกไหมเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าทำแล้วบาปเขาคิดว่าไม่บาปก็ถึงทำเขาไม่เชื่อบาปไงเขาไม่เชื่อว่าตายไปแล้วจะต้องไปรับผลบาปเขาก็เลยทำพวกนี้ก็เหมือนพวกเดลชาเนี่ย พวกเดรัจฉานก็ต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกันใช่ไหมเพื่ออยู่รอดเขาก็ไม่คิดว่าบาปเขาก็กินของเข้าไปพวกที่ทํทาทําบาปเพราะไม่รู้เนี่ยก็จะตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานกันไปฆ่าปลาร้อยตัวก็ไปเป็นปลาร้อยฆ้าไม่ก็ฆ่าสลับกันไงแต่หลายคนอ้างว่าไม่รู้ไม่ผิดนะครับอาจารย์ก็ลองไปทําผิดกฎหมายดูแล้วบอกไม่รู้ดูเลยนะ เขาไม่สนใจรู้ไม่รู้เมื่อผิดเขาก็ต้องจับไปลงโทษเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูที่เจตนาว่าหนักหรือบาโทษคนจะหนักหรือเบาเช่นเป็นทหารเป็นตำรวจนี่ป้องกันชาติแต่ก็ต้องฆ่าอันนี้เขาโทษก็ไม่หนักเท่ากับว่าฆ่าเพราะอยากจะฆ่าฆ่าเพราะโกรธเกลียดเขาอานี่แต่อันนี้ฆ่าเพราะว่าต้องไปทําหน้าที่รักษาปกป้องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเช่นขโมยมา เข้าบ้านแล้วมาจะมาทําร้ายเราเราก็ฆ่าเขาอย่างเงี้ยมันก็ยังบาปอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่บาปหนักเหมือนกับเราไปขโมยขึ้นบ้านคนอื่นแล้วไปฆ่าเขาด้วยอเมันต่างกันอยู่ที่เจตนานับบ่าวทางนี้มีอะไรถามไหมขอได้ครับได้ครับอาจารย์ทุกคำกรุงเทพเชิญเชิญเลยเชิญเลยอนุท น, นาขอให้นําสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะ อย่าไปยนทิ้งนะไม่ทิ้งครับใส่ีะไว้เลยใส่ัญญจะได้มีครับขอบคุณนะครับพี่ทุกีนะครับเอาเชิญใครอยากจะไปก็ไปได้นะไม่ได้บังคับให้อยู่ได้ครับทางนี้มีอะไรอยากถามไหมหรืออยากจะรอหลังไหม สมาธินั่งไปได้สักพักมีความรู้สึกว่าตัวเองตกที่สูดเวลาจิตจะสงบมันจะเป็นอย่างนั้น่ะมันจะตกลงมาวูบเหมือนตกหนุมตกบ่อแล้วมันก็จะนิ่งก็มีสติรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจรู้เฉยเฉยแล้วกาเวลามันนิ่งก็ปล่อยมันนิ่งไปนานๆอย่าไปทำอะไรพอต้องคิดตก แล้วก็ดึงตัวขึ้นแล้วก็ปรดภาวนาต่อได้เลยเแสดงว่ามันสงบไปในระดับหนึ่งแล้วพอภาวนาต่อไปได้ก็ภาวนาต่อไปถ้าไม่ภาวนาอยู่เฉยๆรู้เฉยๆมันนิ่งก็รู้เฉยๆไปก็ได้แล้วที่จิตมีความรู้สึกว่าอยากจ ะ, ะเข้าวัดทำารรมปฏิบัติ แล้วก็อยากจะเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นอย่างนี้เรียกว่ากิเลสหรือเปล่าไม่อันนี้เป็นธรรมไงกิเลสมันมีแค่สามตัวอยากเที่ยวอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเล่ามอยากรวยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บเนี่ยมีแค่สามตัวนี้เท่านั้นที่เป็นเป็นกิเลสแต่ตัวอื่นนี่อยากเข้าวัดอยากทําบุญอยากนั่งสมาธิอยากบวชนี่เป็นธรรม ความอยากที่ดีก็มีความอยากที่ไม่ดีก็มีมีอีกั้ยมีครับคำถามจากคุณสุทธิศักดิ์นะครับพี่ชายจะเข้าอิสลามผมจะมีวิธีไหนบอกอย่างไรกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายครับก็เหมือนกันอะทุกศาสนาส่วนใหญ่ก็สอนเหมือนกันต่างกันตรงที่ระดับสูงทะนะ่านระดับล่างนี่เหมือนกันสอนให้ทาบุญทาทานสอนให้รักษาศีลไม่เบียดเบียนกัน แต่ส่วนอื่นนี้อาจจะมีความแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของความพอใจเหมือนกับไปไปรับประทานอาหารบางคนก็ชอบร้านนี้บางคนก็ชอบร้านนั้นก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามอัธยาศัยของเขาคำถามจากคุณเพนนะครับเห็นตัวเองเน่าบ้างเละบ้างทั้งตอนที่ทำสมาธิและตาเปล่าแต่ไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่หลังจากนั้น เพเห็นว่าแม้แต่รถยนต์เปลี่ยนเป็นโครงเหล็กต้นไม้เปลี่ยนเป็นแก่ตายต่อหน้าต่อตาหรือปลาทอดในจานก็กลับมามีชีวิตจนทางเข้าไม่ได้อีกตลอดวันแต่จะแสดงให้เห็นแบบคาดการไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุนี้เป็นปกติหรือฝึกผิดพลาดประการใดเจ้าคะนานๆไปถ้าเห็นมากเราจะบ้าไหมเจ้าคะไม่บ้าหรอกถ้าเรามีสติ ก็ให้เวลาเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นไปอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราเห็นนั่นเองถ้าไม่อยากจะเห็นเราก็พุโทโธพุโทโธไปแต่ถ้าเห็นก็อย่าไปอยากให้มันไม่เห็นวพรามันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นแล้วถ้าเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เอามาใช้เช่นเห็นร่างกายของเราเน่าเปือ่อยก็มองว่าต่อไปร่างกายเราก็ต้องเน่าเปือ่อยเวลา่งร่างกายเราจะเน่าเปือ่อยเราเราทุกข์กับมันไหม ถ้าเราไม่ทุกข์เราก็แสดงว่าเราเราปล่อยว่างร่างกายได้ยอมรับความเน่าเปล่อยของร่างกายได้แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะเอามาใช้ทำอะไรสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นนี่มันยังเป็นเพียงเหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมือเราจะต้องเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ถ้าไม่สามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ก็โยนทิ้งไปไม่ต้องไปสนใจ อันไหนเอามาทำแล้วทําให้เราดับความทุกข์ใจเราได้ดับความดับกิเลสเราได้ก็เอามาใช้คําถามข้อต่อไปจากคุณ ไ, <อ>ไดเออร์นะครับศีลข้อห้านักเฉพาะสุรายอย่างเดียวหรือสิ่งมอมเมาอย่างอื่นด้วยครับก็ <S 1> <S 1> <S <ม>สิ่งใดที่ทําให้เราขาดสติหลักของการรักษาศีลห้าก็คือเพื่อให้เรามีสติสตังเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติสตังเราจะไม่สามารถรักษาศีลข้ออื่นได้ ที่มาของการผิดศีล ส, ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการไม่มีสติอาจจะเกิดจากการดื่มสุราหรืออาจจะ ก, การเป็นคนที่เผลอสติไม่ค่อยมีสติก็ได้ถ้าเรามีสติเราจะมีความระมัดระวังแล้วเราก็จะรักษาศีลต่างๆได้ฉะนั้นถ้าเราไปดื่มสุราหรือไปเสพยาเสพติดบางชนิดที่ทําให้เราไม่มีสติควบคุม เหมือนคนเขาเรียกบ้าเยคนที่บ้าเ็าเรียกว่าคนไม่มีสติยาบ้าเนี่ยก็เป็นยาที่ทำให้ไม่มีสติทำให้คนเป็นบ้าไปชั่วคราวก็ต้องเลิกของเหล่านี้เสีไม่ได้คำถามจากคุณกันนิกานะครับหนูนั่งสมาธิแบบดูลมหายใจและสังเกตดูตัวเองจนเห็นว่ากายก็จะเป็นส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็จะเป็นอาการส่วนหนึ่ง แล้วใจที่ปรุงแต่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วจะมีส่วนหนึ่งอีกที่รับรู้เฉยๆพอออกจากสมาธิหนูก็จะดูที่อริยาบทต่างๆหรือดูใจตัวเองพอมีอารมณ์โกรธก็จะเห็นเป็นอาการเหมือนก้อนเมฆลอยอยู่ระหว่างหน้าอกสักพักก็หายไปพอมีอารมณ์อย่างอื่นมากระทบก็จะเป็นอาการเหมือนกันพอเห็นบ่อยๆเข้า ก็เริ่มเห็นตั้งแต่จะมีอารมณ์เกิดขึ้นพอเห็นก็หายไปเลยอันนี้คืออะไรครับหลวงพ่อก็เรื่องของอารมณ์ในใจเรามันก็อันนี้จังเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็ให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางมันอย่าไปหลงไหลกับอารมณ์ต่างๆอารมณ์ดีก็อย่าไปยึดติดเพราะเดี๋ยวมันก็หายไปอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปอยากให้มันหายเพราะเวลาอยากแล้วมันไม่หายก็จะทําให้เราทุกข์อยู่ดี นั้นให้รู้เฉยๆให้รู้แล้วปล่อยวางอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอย่าไปอยากให้มันอยู่หรืออย่าไปอยากให้มันไปมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปเราไม่ต้องไปมีอารมณ์กับมันแล้วก็จะไม่มีปัญหาเลยคำถามข้อต่อไปจะคุณใครทำใครได้นะครับรูปรสกลิ่นเสียงทําอารมณ์เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมไหมครับเพราะทุกวันนี้การใช้ชีวิตในแต่ละวัน ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นนิวร์เนีเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบเพราะเวลาเราทำใจให้สงบนี่เราต้องการที่จะทำใจให้ว่างไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นลดเลยเราะฉะนั้นเราต้องสารวมเอินซีคือตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราปล่อยให้มันเข้ามามันก็จะมารบกวนการทาใจให้เราสงบคนที่อยากจะทจาใจให้สงบจึงมกต้องไปปลีกเว ไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถึงจะสามารถทำใจให้สงบได้คำถามข้อต่อไปจากคุณนิรมนนะครับเวลาที่นั่งสมาธิไปได้สักพักเมื่อจิตสงบจะสับสงบค่ะแสดงว่าเราขาดสติใช่ไหมคะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะมือใหม่หัดภาวนาส่วนหนึ่งก็เกิดจากการสติที่ยังไม่แข็งพอ อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมากเกินไปผู้ที่จะภาวนานี้ต้องลดการรับประทานอาหารลงให้น้อยเช่นรับประทานแค่เที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ไม่รับประทานหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็รับประทานครั้งเดียวมื้อเดียวแล้วถ้ายังสับประหงยังง่วงอยู่ก็อาจจะต้องเว้นวันเว้นวันก็ได้วันเว้นวันถ้าร่างกายมันมันมีอาหารน้อยมันก็จะตื่นมันจะไม่ง่วง ก็ต้องดูว่าบางทีเรามีอาหารสะสมไมาเยอะอถึงไม่จะอดแล้วมันก็ยังง่วงเพราะว่ามันเนี่ยน้ําหนักมันเกินมันก็อาจจะต้องอดหลายวันหน่อยมันถึงจะรู้สึกไม่ง่วงอันนี้สําหรับผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังถ้าแบบพอหอมปาห อ, อคออาจจะไม่คุ้มค่าเพราะไม่อยากจะไม่อยากจะอดอันนี้ก็แล้วแต่ ผู้ปฏิบัติจะต้องเลือกเอาว่าจะเอาความสุขทางร่างกายดีหรือเอาความสุขทางใจดีถ้าจะเอาความสุขทางร่างทางร่างกายก็กินไปถ้าอยากเอาความสุขทางใจก็ต้องอดบ้างมันจะทําใจให้สงบทําให้ใจมีความสุขได้ในเช่นนั้นมันก็จะนั่งหลับนั่งหลับมันก็ไม่มีความสุขมันก็ไม่รู้สึกอะไรก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการนั่งจากคุณสุดสุดที่ศักดิ์อีกครั้งนะครับ ผมจะตอบคนอิสลามที่กล่าวผิดที่ว่าคนพุทธห้ามฆ่าสัตว์แต่ยังกินสัตว์อยู่ถึงไม่ฆ่าก็ยังกินเนื้อผมจะตอบเขาว่าไงดีครับผมอยู่นาร า, าทิวาสเขาว่าคําสอนเราขัดกันไม่ขัดหรอกไอสิ่งมีชีวิตสักวันมันก็ต้องตายมีเหตุเนะช่นเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เวลามันตายไปเราก็เอามากินไม่ได้ เ, เราอย่าไปฆ่ามันเพื่อเอามากินเนี่ยแต่เวลามันตายแล้วเราก็มากินได้ เข้าใจไหมมันคนละเรื่องกันเรื่องการฆ่าสัตว์กับเรื่องการกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมันคนละเรื่องกันแต่อย่าไปฆ่าสัตว์แล้วเพื่อเอาเนื้อสัตว์ที่ตายนี้มากินอันนี้นผิดแต่ถ้าสัตว์มันตายเช่นหมาข้ามถนนโดนรถชนตายถ้าเราเป็นคนที่ชอบกินเนื้อหมาแล้วก็มากินได้ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเห็นไหมเราไม่ได้เป็นคนไปฆ่ามันหรือนกบินมาชนนกาชนรถยนต์ตาย เราก็เก็บมาทำแหละมาทําความสะอาดเอามาปิ้งเอามาย่างก็กินได้เหมือนกันมันตายแล้วมันมันไม่ได้เกิดจากการฆ่าของเราก็ไม่บาปตรงไหนไม่ขาดกันตรงไหนคําถามจากคุณนัทพงศ์นะครับบริกรรมพุทธังสระนางกระฉามิธรรมังสระนางกระฉามิสังฆังสระนางกระฉามิในใจได้ไหมครับได้ไดใช้แทนพุโทโธก็ได้ จะพุทธังทำมังสังคังสารนังกระฉามิก็ะได้พุทโธทำโมสังโขก็ได้ด ท, ทาไปในใจได้ทั้งนั้นเป็นอุบายเพื่อให้เราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าจะให้มันนิ่งก็ต้องเอาคําเดียวมันจะนิ่งกว่าเอาพุโทโธคําเดียวมันจะนิ่งกว่าครับเอ่อคำคำถามสุดท้ายนะครับจากคุณพัชราวดีไม่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับเรียนสอบถามผ้าจารย์เจ้าค่ะหนูเคยนําซีดีธรรมะบนเขาปีสองห้าห้าแปด ไปแล้วนำไปฝากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพอท่านได้ฟังก็ชอบเลื่อมใสยอยากจะถวายเงินเพื่อร่วมสร้างซีดีเช่นนี้บ้างสักสามสิบชุดเพื่อ น, นำไปแจกท่านอื่นต่อคะ่ะสามารถทำได้ไหมคะเราก็ไม่ไม่ไม่ไมค่อยอยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการรับบริจาค ก, ก็คุณเอาเอาซีดีที่คุณมีอยู่นี้ไปไปคัปเป้ก็แล้วกัน แล้วก็ไปแจกได้สมัยนี้ก็มีเครื่องปัง้มมีเครื่องก๊อปปี้ทำได้เลยไม่สงวนลิขสิทธิ์ถ้าทำไปเพื่อแจกธรรมทานก็เอาไปทำได้เลยหรือถ้าไม่มีอยากจะมาเอาต้นแบบที่ต้นฉบับที่นี่ก็ยังมีอยู่ของปีห้าแปดนี่ก็มาเอาไปได้แล้วก็ไปที่ไปดูที่กล่องเขา อ, อาจจะมีเขียนร้านที่ทำก็ได้ก็ลองไปติดต่อที่ร้านที่เขาทาคือเรื่องเรื่องเรื่องการทา ข้าวขอ ง, งต่างๆนี้เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นเรื่องของศรัทธาญาติโยมแต่ละคนเขาทำกันขึ้นมาเองงั้นก็ลองดูที่กล่องซีดีก็ได้มักรู้สึกเขาจะเขียนคนที่ทำใครต้องการอะไรก็โทรติดต่อไปคุยกับเขาได้สำหรับวันนี้ถ้าใครมีโอกาสช่วยแสดงผลให้หน่อยนะว่าเสียงภาพเป็นยังไงแล้วก็อยู่ที่ไหน